เคไปปฏิบัติธรรมาที่ไหนบ้า ง, งนะไปสวนหลวงที่นั่นเขาให้ทาอะไรบ้างนะนเชาคออเป็นออ่ะอมีคนนาปฏิบัติเก็จะมีมวัชาเยนก็ทำวัดเย็นมืมมมวันก็มีเรียนเรียนรยิอ๋ญญออืม คอานี้เขาจัดทีละกี่วันะอะอมีอแบบเจ็วันแล้วก็แบบสามเดืนอนออสามเดือนเลยนะชงเข้าพรรษาะอาะรา้ยนอกนั้นก็เจ็เจ็วันแก็เป็นเัครั้งเจวันตรงใกล้ๆสวนโมก็มีที่ปฏิบัติธรรมของนานาชาติด้วยใช่ใช่ค่ะเป็นคอร์ส7จ็ดวันวนะชาติเคยเข้าไปดูไหมที่นั่นเคยเข้าไปแล้วค่ะ เคยไปไหเคยไปอยู่ไหมมันก็มีแบบสิบห้าวันไม่ใช่หรอสิบต้นเดือนนี้ไม่มีครับไม่ที่อยู่ตรงข้ามวัสวนโลกที่ไปไม่มีช่ครับแล้วก็มีคอาต้นเดือนก็คือคอาธนาคารเ่านั้นเ่าอ่าสิบห้าวันนั้นใช่ครับอันนั้นเท่าสิบห้าวันแล้นั่ของานาชาอของานาชาิ จังหวัดที่หนึ่งนะตอนจังวันที่สิบห้าหลังจากนั้นก็เป็นภาษาไทยเก้าก็คนไทยที่ยี่สแล้วก็สวนโมเมี่อี้นี้ก็ที่ปัตตานีเกาะสมุยในของจาคโังโคที่สวนโม่ในกรนีการกฏิบัติทางใช้อะไรเป็น อานาปนาสติแล้วตอนช่วงที่ไม่ได้นั่งมีใช้อะไรจจรสติะกกลมเดินไปขนไปให้ั่สมาธิแต่ถ้าเราสมัยจีว่าปฏิบัติได้้เวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ให้ดูลงเหมือนกันเวลาทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะมีสอน เชื่อนไม่ได้ให้เจรณาเรีาบทไม่มีให้มีสติกำกับอยู่กับเรียบทการเคลื่อนไหวหรือบป่าเน้อเช่นรัวเดินรัวนั่งรัวยืนรัวกำลังรับประทานอาหารการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะเวลานั่งอย่างเดียว มันต้องปฏิบัติตลอดเวลาหมายถึงสติถ้าไม่มีสติตลอดเวลาเวลามานั่งไม่มันจะไม่นิ่งต้องให้มันคอยควบคุมมันตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งท่าถึงสอนให้มีสติอยู่กับทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวหรือไม่อย่ก็ให้มีฟุโทโธอยู่ทุกขณะของการเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกสติที่ต่างกันแบบ แบบต่างกันแต่เป็นการฝึกสติเหมือนกันถ้ามีพุทธโธพุทธโธนี้เราก็จะกํากับใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงอดีตไม่ให้ไปถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเราอยู่กับการเคลื่อ น, อนไหวได้เราไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้ถ้าใจไม่ไปคิดถึง อดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายข้อสําคัญก็คือไม่ให้คิดให้รู้แต่ไม่ให้คิดให้รู้ว่ากําลังทําอะไรแต่ไม่ให้คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตถ้าจะคิดก็คิดกับเฉพาะเรื่องที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันว่าจะทําอะไรจะตาก ข, ข้าวาเข้าปากจะเคี้ยวจะเกินอย่างนี้ ก็ให้ทำเท่าที่จำเป็นจะต้องทำคิดเท่าที่จำเป็นจะต้องคิดกับการกระทำถ้าไม่คิดได้ก็ดีอย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันตัดให้ให้ตัดหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีความสาคัญอะไรความสาคัญของคู่ปฏิบัติก็คือการไม่คิดการหยุดการคิด พถ้าหยุดได้เวลานั่งเฉยๆดังดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะสงบได้สงบแล้วมันก็จะเกิดผลที่มหัศจรรย์ใจคือความสความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีความสุขใดเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติรังสุขขังสุขอื่นที่ เหนืกว่าความสงบไม่มีอันนี้แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติขั้นแรกคือขั้นสมาธิต้องการที่จะให้ใจได้สัมผัสกับความสงบได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวเราได้ความสุขนี้ได้ความสงบนี้ถือว่าดีกว่าได้เพชรมากํามือหนึ่ง ในแต่กรรมหนึ่งใจไม่สงบใจก็ตื่นเต้นตกใจวิตกกังวลใช่ไหมโอจะเอาไปไว้ที่ไหนดีจะเก็บไว้ที่ไหนดีใจไม่สงบสุขแบบสุขแบบร้อนสุขแบบกังวลวิตกข่วงใหญ่ถ้าสุขแบบความสงบนี่สุขเย็นสุขสบายสุขเบาอกเบาใจไม่หนักอกหนักใจ แต่ถ้าสุขแบบได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มามันจะหนัก อ, อกหนักใจได้มาแล้วมันก็ต้องหวงต้องหวงและเวลาเสียไปจากไปก็เสียอกเสียใจแต่ความสงบที่เราได้มานี้พอเราได้มาแล้วเรารักษาได้เราเก็บไว้ได้ไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้แม้แต่ร่างกายความตายก็แย่งแย่งแย่งความสงบนี้ไปไม่ได้ความสงมบนี้อยู่ในใจ คนที่มีความสงบนี้ตายอย่างสบายอยู่ก็สบายตายก็สบายใจไม่ทุกข์กับอะไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะหากันอย่าไปหาเงินทองร้อยล้านพันล้านหาอะไรต่างๆหาสิ่งของกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าท่องเที่ยวไปต่างประเทศ ไปกินไปเดืม่มตามร้านอาหารตามพัตคาลตามโรงแรมของพวกนี้เป็นความสุขประดียวก็แล้วเหมือนยาเสพติดเวลาได้เสพก็สุขเวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์แล้ต้องไม่ต้องมีวันที่จะไม่ได้เสพเพราะหนึ่งเงินอาจจะหมดเงินไม่พอใช้ไม่พอเที่ยวไม่พอซื้อข้าวซื้อของซื้อสิ่ง ีความทุกข์ก็ตามมาแล้วการต้องไปหาเงินก็ทุกข์อีกหาเงินก็จะได้สักบาทหนึ่งก็เหนื่อยวิตะห่วงแล้วก็ต้องรอโอกาสบางทีก็ไม่มีรายได้นานๆานจะได้สักทีหนึ่งขายของนานๆจะได้สักชิ้นหนึ่งไดพอได้มาปาบ๊บใช้ปป๊บเดียวหมดละ ความสุขที่ได้จากการใช้เงินก็หมดไปความทุกข์ที่จะต้องหาเงินก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วร่างกายก็อาจจะเป็นอะไรไปก็ได้อาจจะไม่สบายอาจจะพิกลพิการถ้าเกิดแขนขาดไปข้างนี่ก็ลาบากจะไปหาความสุขทางร่างกายนี่ก็ลาบาก การหาความสุขทางโลกทางลาบยศสารเสรญทางรูปเสียงเกียรติว่านี้มันมีอุปสรรคนานานับประการมีความทุกข์ต่างๆผสมมาอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี่ไม่ต้องใช้อะไรเลยให้มีเวลาอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้เดินไป ให้ดูแลรักษาร่างกายไปถึงเวลากินก็กินถึงเวลาอาบน้ำอาบท่าก็อาบถึงเวลาทํางานปัดกวาดเช็ดกวาดถูบ้านถูเรือนอะไรก็ทําไปแล้วก็ให้มีสติคอยกํากับใจอย่าให้อยากอย่าให้คิดอย่าให้อยากนัถ้าคิดหรืออยากว่ามันจะทรมานพออยากจะไปทําอะไรนี่มันจะทรมานนะแต่ถ้า ควบคุมความคิดความอยากได้แล้วนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้แล้วมันจะอยู่เฉยๆได้อยู่แบบไม่มีอะไรได้อยู่แบบไม่ต้องทําอะไรอยู่แบบไม่ต้องหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพตอนนี้เราติดรูปเสียงกลิ่นรสติดลาบยศสัรเสริมมันกับติดยาเสพติดต้องมีให้เสพอยู่เรื่อย พอเวลาไดไม่มีเสพที่เวลานั้นทรมานทุกทรมานใจบางทีก็ว้าเหวเศร้าสร้อยเงียบเหงาเวลาอยู่คนเดียวไ ม, ไม่ไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังพราะมันติดรูปเสียงกลิ่นรอติดต้องมีเสพต้องมีรูปเสียงกลิ่นรอให้เสพอยู่เรื่อยๆเรพราะเราควบคุมความอยากไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้ ไม่รู้จักวิธีควบคุมมนไม่มีสติถ้าเรามาฝึกสติได้เราจะควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้เวลามันอยากเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะอยู่อยู่เป็นสุขอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าเราควบคุมความคิดความอยากไม่ได้ยอยู่ไม่เป็นสุข อยู่เป็นสุขได้ไม่นานเดี๋ยวก็อยากดูละเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากจะดืมเดี๋ยวอยากคลิมลดเนะี่ยมันมีอยากกันไปอยากกันมาอย่างเงี้ยทั้งวันกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนะแล้วไม่มีอะไรจะมาหยุดมันได้ในเบื้องต้นก็ต้องใช้สตินี่แหละเป็นตัวหยุด สติก็มีหลายรูปแบบวิธีที่จะทำให้เรามีสติขึ้นมาก็เรียกว่ากรรมฐาน40ชนิดเนี่ยเป็นเป็นวิธีสร้างสติวิธีฝึกสติด้วยกรรมฐาน40คือมี40รูปแบบ40วิธีที่เราจะทำให้ใจเรามีสติมายับยั้งความคิดได้เชในกลุ่มของอนุสตินี่ก็มีอยู่ส0 สิบวิธีอนุสติก็คือให้เราเราเลิกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอานาปณะสติก็ให้เราเลิอกอยู่กับลมหายใจเข้าออกในลมหายใจเข้าออกมันจะเหมาะตอนที่เรานั่งนั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งสมาธิถ้าเราไปทําอะไรนี้มันดูลมยากลมมันละเอียดก็ให้เปลี่ยนเป็นกายกตาสติก็ให้ใช้ดูร่างกาย กายกตาก็แปลว่าร่างกายให้ให้ใช้การเฝ้าดูร่างกายเป็นเป็นการสร้างสติขึ้นมาเป็นการใช้สติกำกับใจเกินไหวไปไหนก็กายกตาสติเดินยืนนั่งนอนหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวายื่นแขนออกไปยื่นเท้าออกไปทำอะไรก็ให้ดูอยู่ตรงร่างกายตลอดเวลา เรียกว่ามีสติคือใจจะไม่ไปที่อื่นให้ใจอยู่กับร่างกายพูดง่ายๆไม่ให้ใจไปอยู่อดีตที่ผ่านมาแล้วเช่นเมื่อวานนี้ไปเที่ยวที่นั่นไ ป, ไปพบคนนั้นพบคนนี้อย่าให้มันไปอนาคตพรุ่งนี้จะไปทํานู่นทนํานี่อย่าให้มันไปให้มันอยู่ปัจจุบันถ้าจิตอยู่ปัจจุบันแสดงว่าจิตมีสติจิตไม่ลอยไปตามกระแสความคิด ความจริงอนาคตกับอดีตมันไม่มีแล้วล่ะมันเป็นความคิดเท่านั้นเราคิดถึงมันอดีตมันผ่านไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วเมื่อวานนี้มันไม่กลับมาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันไม่กลับมาแล้วเราไปคิดถึงมันเองหรืออนาคตพรุ่งนี้หรือชั่วโมงต่อไปนี้เราจะไปที่นู่นที่นี่มันยังไม่มาหรอยังไม่เกิดยังไม่ถึงเวลาของมัน ันอยากเสียเวลาไปกับการไปอดีตไปอนาคตเพราะว่าเป็นการเพอร้อฝันพูดง่ายๆ ไ, ไม่ได้อยู่กับความจริงความจริงมีแค่ปัจจุบันนี้ท่านนี่ยเกความจริงขณะนี้แหละนี่แหละคือความจริงของชีวิตพวกเรามีี่านี้มีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเราสามารถควบคุมปัจจุบันเราให้มันดีได้มันก็จะดีไปตลอดเพราะปัจจุบันมันก็จะมันก็จะเหมือนกับโลกที่มันหมุนไป มันหมุนไปแต่เราไม่รู้สึกว่าเราหมุนไปกับมันขณะนี้โลกมันหมุนะความเร็วต้องไม่รู้กี่พันกิโลต่อชั่วโมงตอนนี้เพ็นแต่ว่าเราอยู่กับโลกเราเราไม่รู้สึกว่าเราหมุนเราเรากำลังไปปัจจุบันของเราก็เคลื่อนไปทุกวินาทีวินาทีหนึ่งก็ผ่านไปแล้วเมื่อกี้พูดเรื่องเมื่อกี้นี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันมีแคบแป๊บเดียวอยู่ตรงเนี้ ถ้าเรามีสติเราอยู่กับปัจจุบันนี้เราจะรู้ว่าทุกอย่างเคลื่อนไหวหมดทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับผ่านไปกลายเป็นอดีตไปปัจจุบันกลายเป็ปจจนอดีตออนาคตก็มาเป็นปัจจุบันมันเข้ามาก็มาเวลามันเข้าม า, า, มาถ้าเราเหมือนเรานั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วดูรถวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเราไม่ไปไหนเราอยู่ปัจจุบันเราจะเห็นรถวิ่งไปวิ่งมา แต่ถ้าเราวิ่งไปกับรถเราก็จะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าเราไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตเราสรับสนไปหมดแล้วใจเราก็เลยไม่สงบถ้าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันมันสงบไม่ได้เพราะมันมันทำงานมันคิดคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคต<ม>คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ ถ้าไม่มีสติกำกับให้มันอยู่ในปัจจุบันไม่ให้มันคิดนั่งสมาธิไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดผลขึ้นมาที่นั่งกันนี้ไม่ได้ไม่ได้สมาธิกันจริงๆจังๆได้ก็เพียงแต่การต่อสู้กับความคิดจะนั่นนงไปก็สลับไปดูลมปักเดี๋ยวก็ไปหาคนนั้นหาคนนี้เดี๋ยวก็ ก, กลับมาพุโทโธมัน มันไม่อยู่กับเรื่องเดียวต้องให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้ได้ยังวิธีจะฝึกให้มันอยู่กับเรื่องเดียวก็ต้องใช้หลายหลายวิธีด้วยกันเวลาเคลื่อนไหวก็ใช้ร่างกายเฝ้าดูร่างกายถ้าเฝ้าดูร่างกายมันยังคิดอยู่คิดถึงอดีตคิดถึงมนาโคตอยู่ก็ใช้พุทธานุสติใช้พุทโธกํากับไปด้วยเดินไปก็พุทโธไปด้วย ให้รู้ว่ากำลังเดินด้วยแล้วก็ใ ห, ให้ให้ใช้พุทธโธกํากับไปด้วยบางทีเดินแล้วเผลอไปคิดได้ถ้ามันเผลอไปคิดก็ให้เอาพุทธโธด้วยเดินไปก็พุทธโธด้วยเอาสองอย่างทํางานก็พุทธโธด้วยกวาดบ้านถูบ้านทักผ้าอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวถ้ามันไม่อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่มันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ ดึงมนันด้วยพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็พุทธานุสติถ้าเราชอบธรรมโมก็ใช้ธรรมโมธรรมโมอันนี้ก็ธรรมานุสติอนุสติสิบมีพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอานาปนาสติทเท ว, วนุสติอาจจะถึงเท ว, วดาก็ได้เราศรัทธาเราชอบเท ว, วดารูปไหนปายินท ก็นึกถึงพระอินทร์ก็ได้อ่ฮารีคริชนามีศาสนาหนึ่งเขาพวกพวกฮินดูเขาให้เขาให้บริกรรมฮารีคริชนาฮารีคริชพระกิตชนะคริชนาก็เป็ลกิตชนะฮารี Hare ก็คงหมายถึงเทิดอะไรคงจะโยกย่องสรรเสริญของเราก็พุทธโอพุทธโอของฮินดูก็ฮารีคริชนา h a เร Krishna นนเี่ยครนเหมือนกันใช้ได้ให้มีอะไรกำกับใจไม่ให้ใจไปคิดขอให้เราเข้าใจหลักของการเจริญสติว่าเพื่อหยุดคิดหยุดอยากถ้าไม่หยุดคิดหยุดอยากแล้วเดี๋ยวทรมานพอเกิดความอยากแล้วอยู่ไม่เป็นสุขเนี่ยเดี๋ยวอยากจะไปดื่มไปกินอะไรนี่นั่งฟังต่อไม่ไว้หน้าแล้ใจอึดอัดนะ แต่ถ้าไม่มีความคิดความอยากมันนั่งเฉยๆได้นั่งสมาธินั่งไปได้ยาวสบายเย็นสบายถึงแม้ว่ายังจะไม่รวมไม่นิ่งแต่ก็มันก็ยังเบามันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีความคิดความอยากมันจะนิ่งจะรวมได้นี่มันต้องความคิดต้องหยุดความคิดความอยากได้อย่างต่อเนื่องไปสี่ห้านาทีเนี่ยมันถึงจะรวม ถ้ายังดิ้นอยู่ยังไปคิดนู่นคิดนี่เลาวกลับมาดิ้นไปดิ้นมาอยู่มันก็จะเข้าไปยากจะรวมยากถ้ามีสติมากให้มันก็จะควบคุมความดิ้นได้เหมือนจับปลาเนี่ยถ้ามือเรามีกําลังมากแล้วก็จับให้มันไม่ให้มันดิ้นได้ถ้ามีกําลัง น, อน้อยดีบมันไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เต็มที่มันก็ยังดิ้นอยู่เั้นต้องบัญพยายามฝึกสติให้มากๆ จกสตินี่ต้องเจริญตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิอย่างเดียวถ้ามานั่งสมาธิแล้วมัค่อยมาเจริญสติก็ก็อย่าไปหวังผลเลยนั่งไปเดี๋ยวเดียวก็เดี๋ยวก็นั่งต่อไปไม่ได้แนละ้นั่นต้องพยายามฝึกสติการจะฝึกสติได้ดีก็คือต้องอยู่คนเดียวถ้าเราถ้าเราไม่อยู่คนเดียวเราไป ทำงานไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ต้องคิดต้องคิดต้องใช้ความคิดเจอกันก็ต้องทักทายกันถามสารทุกสุขดีวยกัน ถ, ถ้าต้องทำงานก็ต้องใช้ความคิดยิ่งคิดใหญ่เลยคิดบัญชีคิดจัดการกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันต้องใช้ความคิดถึงแม้จะมีสติอกว่าความคิดมันก็ไม่ใช่เป็นสติที่จะทาให้ใจเราเป็นสมาธิได้สติ ที่จะทำให้เราเป็นสมาธิและ เ, เป็นสติแบบไม่คิดให้รู้เฉยๆเ่็นถ้าเราทำงานแบบไม่ต้องใช้ความคิดปาดบ้านถูบ้านซักผ้าอาบน้ำล้างหนา้าล้างตาเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเราต้องพยายามตัดงานต่างๆที่ต้องใช้ความคิดไปคนที่จะปฏิบัติต้องไปปีกวิเวกไปบวชกันพอไปบวชนี่ก็ไม่ต้อง ไปทํางานที่แบบที่ต้องใช้ความคิดเพราะถ้าไม่บวชนี้ต้องคิดหาเงินหาทองคิดอะไรต่างๆมากมายกายกองพอมาบวชนี้ไม่ต้องคิดหาเงินหาทองมีคนหาให้มีคนหาข้าวหาปลาหาน้ําหาอะไรมาให้มาสนับสนุนให้ไม่คิดเนี่ยนักบวชนี่เขาไม่ต้องคิดอะไรเนี่ย ถ้าอยากจะได้สติจึงต้องไปอยู่แบบนักบวชตอนต้นก็อาจจะไปแบบชั่วคราวก่อนไปทดลองก่อนไปอยู่แบบมือสมัครเล่นเมืไหนว่างหยุดงานหยุดการไม่ต้องทำงานก็ไปหาที่วิเวกไปตามวัดต่างๆที่เขาจัดถ้ายังไม่รู้จักวิธีทำเองก็ต้องไปที่ที่เขาสอนที่เขามีหลักสูตรสามวันเจวันวัดอัมพวัน วัดที่วัดสิงห์บุรีท่านก็มีเจ็ดวันยุบหนอพองหนอวัดสวนโมกวัดต่างๆเขาก็มีจัดหลักสูตรเหล่านี้กันสำหรับเด็กอนุบาลไงเป็นพวกที่ยังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติเลยถ้าจะปล่อยให้ปฏิบัติเองก็ปฏิบัติไม่ได้เหมือนเด็กอนุบาลต้องมีครูคอยกำกับสอนให้หัดท่องกอไก่ขอไข่ อัดนับหนึ่งสองสามไปก่อนถ้าเราไม่รู้เลยเรื่องวิธีปฏิบัติเนี้เราก็ต้องต้องไปเรียนก่อนนะเรียนแล้วก็ไปเข้าหลักสูตรเรียนด้วยปฏิบัติด้วยก็มันต้องมีการปฏิบัติมันถึงจะจําได้ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติมันจะจําไม่ได้แล้วยังจะไม่ได้ผลมากแตถ้าเรียนไปปฏิบัติไปควบคู่กันนะก็จะเข้าใจอ๋อ วิธีปฏิบัติจเจริญสติจเจริญยังไงวิธีนั่งสมาธินั่งอย่างไรเขาก็จะมีสลับกันเวลาเดินจงกรมก็ให้จเจริญสติเวลานั่งหลับตาก็ให้จเจริญสมาธิด้วยการใช้สติที่เราได้จากการเดินจงกรมนี่มากำกับใจอีกทีเวลาเดินเราก็ใช้ก้าวเน้ย่างหนอดูร่างกายไปอันนี้ก็กายกตาสติ เวลานั่งก็ยุบเนาะพองเนาะอันนี้ก็ดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็พองหายใจออกก็ยุบหน้าท้องให้ดูที่หน้าท้องหรือบางสำนักเขาก็ให้ดูที่ปลายจมกูกให้ดูว่าเข้ารู้ว่าออกเข้าเนาะออกเนาะหรือไม่ต้องไม่ต้องท่องก็ได้บางสำนักก็ให้พุดเข้าโทูออกเหมือนกันนี่ก็เป็นอุบายวิธีที่จะผูกใจไว้ให้กับ เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตเราไปส า, สามแหล่งพร้อมกันไม่ได้ถ้าเราอยู่ปัจจุบันเราก็ไปอดีตไม่ได้ไปอนาคตไม่ได้ถ้าเราไปอดีตมันก็จะเราก็ไม่อยู่ปัจจุบันเราก็ไม่อยู่กับอนาคตถ้าอยู่อดีตอยู่อนาคตจิตมันแกว่งไปแกว่งมาแต่ถ้าอยู่ปัจจุบันมันอยู่ตรงกลางมันนิ่ง ถ้าปล่อยให้มันอยู่ปัจจุบันได้ต่อเนื่องไม่เกินห้านาทีสิบนาทีมันรวมได้สงบได้เป็นหนึ่งได้รวมเป็นหนึ่งตอนนี้เรากําลังดึงกระแสจิตที่มันกระจายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใช้สติดึงมันกลับเข้ามาให้มันรวมเป็นหนึ่งตอนนี้ต้องดึงมันดึงมาจากหูจากตาจากลิ้นจากร่างกายปกติใจของเราจะถูกกิเลสดัดนออกไปหา ลูกเสียงกลิ่นรสออกไปทางตาหูจมูกม้นกายแล้วก็ไปอยากกับลูกเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไปทุกไปวุ่นวายกับการหากับการดูแลรักษาลูกเสียงกิ่นรถที่เราหามาได้กันแต่ใจไม่มีความสงบมีความสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้ได้ลูกเสียงกิ่นรถมาก็สุขแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปก็ต้องคอยหาใหม่เรื่อยๆ นี่เป็นความสุขแบบทรมานความสุขแบบยาเสพติดต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆเวลาขาดเมื่อไหร่ก็เวลานั้นก็เดือดร้อน<ม>วุ่นวายใจขึ้นมาทันทีง<ม>ั้นเราจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะให้มันออกไปเราจะดึงมันกลับมาให้มันรวมเข้ามาที่จิตรวมเข้ามาจิตนี่เป็นเหมือนหลอดไฟเห็นไหมหลอดไฟนี่ถ้าเราเปิดไฟปักไฟมันก็แสงมันก็ กระจายออกไฟพอเราปิดสวิตซ์ปัม้มแสงมันก็กลับเข้าไปที่หลอดเวลาเราใช้สติดึงจิตเข้ามาก็เหมือนกำมันจะปิดไฟพอมันเข้ามาถึงหลอดมันก็เหมือนกับไฟดับปิดไฟจิตก็นิ่งสงบลูกเสียงกลิ่นรสกล้าไม่รับรู้เวลาจิตรวมเป็นหนึ่งนี้ลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพทธธานี้จะหายไปแล้วจิตก็จะนิ่งสงบสบายมีความสุข แล้วมันจะอยู่ได้นานไม่นานก็อย่าไปทำอะไรมันตอนที่มันสงบนี้อย่าไปพิจารณาปัญญานะยังไม่ใช่เวลาปัญญานี่อีกอีกหลักศูนยหนึ่งอีกชั้นหนึ่งตอนนี้กำลังเรียนชั้นสมาธิพยายามดึงจิตให้เข้าให้รวมแล้วให้มันรวมนานๆอย่าไปคิดพอคิดแล้วมันจะแตกออกมาอีกเราต้องการให้มันรวมนา น, านรวมเลยไปจนกว่ามันจะไม่มีกาลัง ที่จะรวมด่างนันก็จะถอนออกมาถอนออกมาที่ตาหูจมูกริมกายแล้วก็ออกมาเป็นกลับมาตามเหมือนกับตอนตอนตอนที่เราไม่ได้เข้าสมาธิถ้าเรายังไม่ชํานาญการเข้าสมาธิก็อย่าเพิ่งไปทางปัญญาออกมาแล้วก็มาเดินจงกรมมาพิมาฝึกสติใหม่ต่อมาก้วาวเนอย่างหนอพุโทโธพุโทโธ ทำอะไรก็ให้มีสติกอยู่กับการกระทำแล้วพอหายเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่พยายามนั่งบ่อยๆนั่งมากๆให้เข้าให้เข้าได้เร็วๆและอยู่ได้ น, นานๆให้เข้าได้ทุกเวลาให้ชำนานก่อนพอชำนานทางสมาธิแล้วเนี่ยพอต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้ไปสอนใจให้ ฉลาดด้วยปัญญาสนใจว่าลูกเสียงจิตรถที่เรากําลังเสกกันเนี่ยมันไม่เที่ยมมันเป็นทางสุขชั่อข่าวเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันมาสั่งให้มันอยู่กับเราไม่ได้บางทีมันก็มาบางทีก็ไม่มาบางทีมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเวลามันไม่มาหรือเวลามันไปเราก็เศร้าเราก็ทุกข์งั้นเราอย่าไปอยาก ถ้าเห็นว่าเรากาลังไปหาความทุกก็อยาไปอยากนี่คือสอนวิธีให้ใจเราเลิกไม่ให้ไปอยากกับรู้เสียงกลิกกก่นรสทุกครั้งที่อยากก็บอกว่าอย่าไปเยอะอย่าไปเอามันเอาล้วติดเหมือนยาเสพติดอยากจะดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มดื่มน้ำเปล่าแทนถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไม่ต้องไปดื่มกาแฟไม่ต้องไปดื่มเป๊ปซี่ไม่ต้องไปดื่มน้ำชาร่างกายไม่ต้องการน้ำเปล่า แต่ตัญหาความอยากมันต้องการรสของกาแฟต้องการกลิ่นของกาแฟอันนี้เป็นยาเสพติดอย่าไปติดมันถ้าจะดื่มจะกินนี่ดื่มเพื่อร่างกายกินเพื่อร่างกายอย่าไปดื่มไปกินเพื่อลดรสชาติเพื่อลูบเสียงกลิ่นรดอันนี้เป็นความอยากแล้วจะทําให้ติดแล้วจะทุกเวลาไม่ได้เวลาไม่ได้กินไม่ได้เสพ น, นี่คือใช้ปัญญาสอนใจ ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขการไม่ทำตามความอยากนี้แหละเป็นการสร้างความสุขขึ้นมาเพราะเวลาใจไม่มีความอยากแล้วใจจะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขพอมีความอยากขึ้นมนาะอยู่ไม่เป็นสุขลนะต้องดิ้นลนะต้องไปหาสิ่งที่อยากได้แนละ้อันนี้คือปัญญาสอนใจเจินใจ อย่าไปอยากกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามราบยศสรรเสริญรูกเสียงกลนนิ่นรดบุคคล น, นั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตัดตัดไปให้หมดอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าสบายใจกว่าอยู่ัคนนั้นอยู่คนแค่นี้เดี๋ยวเกิดเขาไม่อยู่กับเราทางไหนหงาขึ้นมาถ้าอยู่คนเดียวมันไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะจากเราไป แต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวมันต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปให้คิดอย่างนี้ให้เห็นว่าอันนี้จังไม่เที่ยงทุกอย่างต้องมีการพัดพากจากกันอนัตตาห้ามมันไม่ได้ห้ามการพัดพากจากกันใด ไ, ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้มีสิ่งเดียวที่เราสั่งได้ก็คือความสงบของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยเราสั่งให้มันสงบได้ สั่งให้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้อยู่กับเราไปตลอดได้เ้าอยู่กับเราก็ต้องไม่ไปหายอย่างอื่นมาถ้ายังมีความอยากอยู่ปั๊บความสงบก็จะหายไปทันทีพอ เ, เกิดความอยากขึ้นมาความสงบที่ได้มามันจะหายไปพอเราหยุดความอยากได้ความสงบก็กลับมาใหม่นี่คือปัญญาตั้ง ต้องเจริญหลังจากที่เราออกจากสมาธิแล้วเวลาอยู่ในสมาธิไม่ให้เจริญให้นิ่งน่งให้อยู่ไปนานๆให้สงบไปนานๆและยังไม่ต้องใช้ปัญญาถ้ายัางไม่ชานาญถลายัางเข้าสมาธิไม่ได้ทุกครั้งที่เราต้องการนี้อย่าพึ่งไปทางปัญญาเพราะทางปัญญามันต้องคิดพอคิดแล้วเวลาจะมาหยุดคิดมันจะหยุดยากถ้าเราหยุดมันไม่เป็นแต่ถ้าเรามีสติมีกาลังที่จะหยุดความคิดได้แล้ว สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาแล้วทีนี้ไม่เป็นไรใช้ความคิดเป็นทางปัญญาได้แล้วก็หยุดกันได้เวลาที่เราไม่ต้องการจะคิดเราก็หยุดกันได้ตอนบางทีคิดไปทางปัญญากิเลสมันจะแทรกเข้ามาได้แล้วแทนที่จะเป็นปัญญากลายเป็นความอยากขึ้นมาก็ได้แล้วถ้าไม่มีสติกำลังพอก็จะหยุดกันไม่ได้ยงเรื่องปัญญานี้ยังไม่ต้องไปกังวล ขั้นตอนนี้ให้กังวลเรื่องสติก่อนให้มีสติอยู่ทางคิดให้ได้เมื่อมีสติแล้วก็ต้องนั่งให้จิตรวมให้ได้รวมเป็นหนึ่งถ้าจิตรวมได้แล้วแล้วทุกครั้งที่นั่งต้องการให้มันรวมมันก็รวมได้ทุกครั้งนะทีนี้แสดงว่าเราชํานาญแล้วเรามีสติกําลังมากแล้วสามารถสั่งจิตให้รวมได้ทุกครั้งทีนี้เราก็ออกไปทางปัญญาได้เวลาออกจากสมาธิก็ไปพิจารณาใจรัก สอนใจว่าทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงมันต้องมีวันสิ้นสุดงานเลี้ยงย่อมมีวันหมดอย่าไปจัดให้เสียเวลาเลยจัดเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จบ ก, กินเลี้ยงกันเฮฮากันเดี๋ยวพอเลิกแล้วก็หายไปหมดความเฮฮาความสุขสนานอะไรก็หายไปหมดก็ต้องจัดใหม่่เรื่อยๆจัดงานอยู่เรื่อยๆจัดไปเท่าไหร่มันก็ไม่ มันก็ไม่อิ่มไม่พอมันก็หิวมันก็อยากจะจับไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาแกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีกำลังจะจับเลยแล้วตายไปก็ทำอะไรไม่ได้แต่ความอยากยังมีอยู่ก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเพื่อจะได้มาจัดงานใหม่เพื่อจะได้มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันก็จะทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆตายไปกี่ครั้งก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ทุกครั้งไปเพราะเรายังไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขท้ายเราเป็นเวียนว่ายตายเกิดท้ายเราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆสูหาความสุขจากความสงบดกว่าความสงบนี้จะไม่มีความอยากใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกาย ถ้ามีความสงบแล้วเวลาร่างกายตายไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อยู่กับความสงบได้เนี่ยพระพุทธเจ้าพาะสาวกเนี่ยท่านอยู่กับทางสงบพอร่างกายท่านดับไปแล้วท่านก็ไม่หาร่างกายอันใหม่ช่วยกันขยับนิดนะึงนะขยับที่หน่อย อันนี้คือการปฏิบัติการปฏิบัตินี้เพื่อหาความสุขแบบใหม่หาความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขนอกจากธรรมะที่เราสามารถผลิตขึ้นมาในใจของเราได้หาความสุขในใจเราด้วยสิ่งที่มีอยู่ในใจเราธรรมนี้อยู่ในใจเราเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างมันขึ้นมามี แต่มีน้อยสติมีแต่มีน้อยปัญญามีแต่เป็นปัญญาทางโลกไม่ใช่เป็นปัญญาทางธรรมปัญญาที่ทําให้ทุกข์ให้วุ่นวายไม่ใช่ปัญญาที่ทําให้สงบเราต้องมาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเราจะสามารถก็ภูมิใจให้สงบได้ตลอดเวลา ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีลาบยศสารเสยพอไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับไปหาไม่ต้องมาเกิดใหม่เพราะการเกิดมันไม่ดีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากจะรู้ว่ามันเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันดีไม่ดีลองไปดูคนที่ยงพยาบาลดู ไปดูคนแก่คนชราดูว่าเขามีความสุขไหม <Yeah. S 1> เขาไปเที่ยวไปสนุกสนานเหฮาเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวได้หรือเปล่า <Yeah. S 1> ต่อไปพวกเราก็ต้องไปอยู่แบบนั้นนหะต่อไปร่างกายของเราทุกคนมันก็ต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเรามีความสุขได้ยูหลวงปู่หลวงตาท่านยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสทุกวัน ท่านไม่มีอะไรจิตใจท่านมีความสุขเพราะท่านมีสติมีปัญญาสามารถทำใจรักษาใจให้สงบได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พวกเราไม่มีกันคือสติปัญญาที่มาปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาสร้างสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็สอนใจให้ฉลาดให้เลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ ให้เลือกหาราบยศสะละเสริญหารูปเสียงกลิ่นรเพอหามาได้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็ต้องจากกันเอาไหมาเนี่ยให้เงินร0อยล้านแล้วบอกพ่กนี้ต้องตายเอาไหมให้ให้เงินร้อยล้านไปใช้วันหนึ่งแล้วรต้องตายเอาป่ะมันก็เหมือนกันน่ะได้ร้อยล้านมาถึงมันอาจจะไม่ตายพ่กนี้แต่มันก็ต้องตายไม่ช้าก็เร็วเวลาตายแล้วเงินร0อยล้านทาอะไรได้ปะทำไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ แล้วก็เอาไปก็เอาไปไม่ได้เมื่อเอาไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาหาใหม่กอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาหาเงินร้อยล้านใหม่หาได้กี่ครั้งเคยตายไปก็เอาไปไม่ได้แล้วก็ต้องกลับมาหาใหม่แต่ถ้าหาความสงบได้เวลาไปไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาหาใหม่เพราะเอาติดตัวไปได้ <conte S 2> ความสง บ, บอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย เวลาเรานั่งสมาธิเราไม่ได้ใช้ร่างกายเราไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะความสงบไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสงบหยุดใช้ร่างกายให้น่างกายอยู่เฉยๆแล้วก็ใช้สติหยุดความคิดหยุดการทํางานของจิตเวลาจิตคิดนี่เหมือนกับรถยนต์ที่กําลังวิ่งถ้าเราอยากจะให้รถจอดเราก็ต้องดับเครื่อง พอดับเครื่องรถมันก็จอดวิ่งไม่ได้จิตเราก็ต้องใช้สติดับมันหยุดความคิดพอหยุดความคิดได้แล้วจิตก็จะสงบมีความสุขนี่แหละความสุกอั น, นี้ถ้าใครได้แล้วก็จะทำให้เรามีกำลังที่จะต่อต่อรองกับความอยากต่างๆได้อยากจะไปกินกาแฟาก็บอกเอ้ยนั่งสมาธิดีกว่าเยอะไปกินทำไม ก็ไม่กินได้อยากคิ้วน้ำก็กินน้ำไปดื่มน้าไปแต่ไม่ต้องไปดื่มกาแฟดื่มน้าไม่ติดดื่มกาแฟแล้วติดน้ำต้องดื่มเพราะถ้าอยากจะให้ร่างกายอยู่ต่อไปแต่ถ้าคิดว่าไม่ยําเป็นจะต้องให้มันอยู่ก็ไม่ดื่มก็ได้ปล่อยมันตายไปมันก็เราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วไม่อาศัยมันอยู่แล้วมันจะเป็นจะตายก็เท่ากันที่ยังรักษามันอยู่ก็เพราะว่ายังใช้ร่างกายนี้ทาประโยชน์ได้ สำหรับคนที่ไม่มีความอยากแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านจะอยู่จะตายนี่ไม่มีน้ำหนักมันเท่ากันสิ่งที่ท่านอยู่ก็เพราะว่าอยู่เพื่อจะเอาธรรมะมาสอนพวกเราท่านถึงอยู่ต่อไปแต่ถ้าสมมติว่าถ้าท่านอดน้ำไม่มีน้ำให้ท่านดื่มให้ท่านตายท่านก็ไม่ว่าอะไรตายก็ตายเพราะถึงเวลามันก็ต้องตายไม่ช้าก็เร็วแต่ที่ท่านอยู่ เพราะว่าท่านยังเห็นว่ายังเลี้ยงร่างกายได้รักษาร่างกายได้ก็รักษามันไปเพราะร่างกายนี้สามารถใช้ติดต่อกันได้ใช้ติดต่อกับญาติโยมได้สอนคนที่ไม่รู้ธรรมะได้สอนให้คนที่เป็นคนที่ยังยังทุกข์อยู่ให้หายทุกข์ได้เป็นเหมือนหมอี่พระพุทธเจ้าเป็นหมอรักษาโรคทางใจความทุกข์ทางใจ คนที่มีธรรมะด้ศึกษาธรรมะนี่จะไม่มีความทุกข์ทางใจถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะนี่คือสาเหตุทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตายหลังจากที่ตัดสรตแล้วบางทีพระพุทธเจ้านี้ไปถึงนิพพานถึงถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดตัดความอยากได้หมดแล้วตั้งแต่อายุสามสิบห้าหปีหลังจากที่ได้บวชนี่ท่านก็ หยุดความอยากต่างๆได้หมดเล้วท่านไม่มีความหิวความอยากไม่มีความทุกข์กับอะไรแล้วร่างกายจะแกะ่จะเจ็บจะตายจะเป็นอะไรท่านไม่เดือดร้อนกับมันแต่ที่ท่านยังเลี้ยงดูร่างกายไปก็เพื่อที่จะได้เอาธรรมะอันวิเศษที่มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราถ้าพระพุทธเจ้าตัดสินเมื่อไทยว่าไม่สอนเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธเลย เราจะไม่รู้เรื่องใ จ, ใจิตใจเรื่องของความสงบไม่รู้เรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องอะไรต่างๆที่เราได้เรียนรู้ทุกวันนี้มาจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครรู้หรอกเรื่องเรื่องของจิตใจเรื่องของความสงบเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้รู้คนแรกรู้ด้วยความขวนขวายวิรยิยะอุตสาหะค้นคว้าศึกษาปฏิบัติ จนได้พบความจริงสี่ประการคืออริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมากสงก่นเพราะว่าความทุกข์นี้เกิดจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากความอยากอยากพออยากก็กลับมาเกิดพอมาเกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องดินน้นรนหาหาห า, หาอะไรต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกาย ก็เป็นความทุกข์เพราะความอยากถ้าหยุดความอยากได้ก็จะไม่กลับมาเกิดจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาหยุดหน <S S <Yeah. S 2> ตอนนี้เราไม่มีสติไม่มีปัญญาปัญญายังไม่เป็นปัญญาที่มีกำลังหยุดความอยากได้ตอนนี้รู้อยู่ว่าความอยากไม่ดีแต่เวลาอยากดื่มกาแฟก็ mm hmm. ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะ ยังไม่มีกำลังจะหยุดมันแต่ถ้าต่อไปมีปัญญามีสติมีกำลังจะหยุดมันพอจะดื่มกาแฟาก็บอกดื่มมันต้องกลับมาเกิดอีกนะต้องกลับมาดื่มอยู่เรื่อยๆนะถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มัเจ็บมาตายก็อย่าไปดื่มมันถ้ามีสติมีสมาธิก็จะมีกำลังฝืนมันได้ล้าไม่ทรมานใจาะจิตที่มีสติมีสมาธิมีความสุข ใ น, นเวลาอยากกาแฟจะไม่ทรมานใจแต่คนที่ไม่มีสติสมาธิไม่มีความสงบนี่เวลาอยากกาแฟนี่ทรมานใจทรมานจนทนไม่ไหวจนต้องไปดื่มมันดื่มมันก็หายทรมานเดี๋ย ว, ว, วเดียวชั่วคราวเดี๋ยวอีกสักไม่กี่ชั่วโมงก็อยากขึ้นมาใหม่แล้วพอเล็กกาแฟมันหมดแล้มันก็จะอยากไปเรื่อยๆจนวันตายตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหากาแฟดื่มใหม่ นี่คือเรื่องของการมาปฏิบัติมาปฏิบัติเพื่อมาหยุดความอยากด้วยสติด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสรงคนพบท่านสอนวิธีสร้างสติสี่สิบวิธีกรรมฐานสี่สิบแต่เราไม่ต้องรู้หมดรู้แค่วิธีไหนวิธีเดียวก็พอขอให้เอาวิธีที่มันใช้ได้กับเราก็แล้วกันแต่ที่มีสี่สิบเพราะา จ, จะมีคนเขา ใช้กันมีมีคนเขาใช้กันหลายแบบบางคนก็ใช้ใช้อย่างนั้นบางคนก็ใช้อย่างนี้ได้ผลเหมือนกันคือหยุดความคิดหยุดความอยากได้ทาใจให้รวมเป็นหนึ่งได้เหมือนกัน ม, มาฝึกสติกันก่อนจะฝึกได้อย่างได้ผลดีก็คือต้องอยู่คนเดียวไม่มีงานทำ มีแต่หน้าที่เพียงแต่คอยเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็คอยดูแลรักษาที่อยู่อาศัยให้มันสะอาดเท่านั้นเอาเวลามาเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิไปทำใจให้รวมเป็นหนึ่งให้ได้ทำรวมได้แล้วก็พยายามทำบ่อยๆให้มันชำนาญอย่าเพิ่งไปทางปัญญาถ้าจะไปบ้างก็ได้ถ้าอยากจะไปแต่ถ้าไม่ไปได้จะดีกว่า พยายามไปทางสติก่อนพยายามสร้างสติให้มากๆก่อนพยายามหยุดความคิดให้ได้มากๆก่อนแล้วเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการแล้วนั่งได้นานอย่างนี้แล้วต่อไปค่อยไปทางปัญญาเวลาออกจากสมาธิแต่เวลาอยู่ในสมาธิมันห้ามพิจารณาถ้าจะพิจารณาก็ไม่ต้องเข้าไปสมาธิให้มันเหนื่อยเบ า, บา การเข้าสมาธิเพื่อพักจิตเพื่อสร้างกาลังจิตสร้างความสุขใจถ้าจะคิดทางปัญญาก็ไม่ต้องไปเข้าไปให้มันเสียเวลากยากคิดทางปัญญาถ้าไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน mm hmm. ก็ไม่มีกาลังสู้เวลาจะเอาไปใช้สู้กับกิเลสก็ไม่มีกาลังเหมือนมีปืนแต่ไม่มีกาลังที่จะถือปืนยกปืนมีห อ, อกไม่มีกาลังที่จะพุ่งห อ, อก มีมีดไม่มีกำลังที่จะทิ้งจะแทงคู่ต่อสู้เพราะไม่มีสมาธิเห็นต้องสร้างกำลังขึ้นมาก่อนสร้างกำลังแล้วก็ทีนี้ก็ไปหามีดหาหอกหาปืนมาพอเจอคู่ต่อสู้คือความอยากก็ยิงมันเลยฟันมันเลยแทงมันเลยฆ่ามันเลยต่อไปถ้าไม่มีความอยากอยู่แล้วใจจะสงบเหมือนบ้านเมืองถ้าไม่มีผู้ร้ายนี่ก็บ้านเมืองก็จะสงบ ทุกวันนี้บ้านเมืองไม่สงบก็เพราะมีโจรผู้ร้ายเยอะเราคอยสร้างความวุ่นวายสร้างความสร้างพิษสร้างภัยให้แก่ บ, บ้านเมืองแต่ถ้าเรากำจัดโจรผู้ร้ายให้หมดไปแล้วนี้บ้านเมืองเราสงบสบายไปไหนมาไหนปลอดภยัยจะไปไหนเวลาไหนไปคนเดียวก็ปลอดภยัยไม่มีใครจะมาทำร้ายแล้วบ้านช่องเราไม่ได้ใส่กุญแจไม่ได้ปิดประตูก็ไม่มีใครมาเอาข้าวเอาของเราไป ใจิตใจของเราก็เหมือนกันใจิตใจของเราตอนนี้ไม่สงบไม่สบายไม่สุขก็เพราะว่ามีโจทย์ผู้รายเยอะคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเป็นตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจต่างๆสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเราไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคือสติปัญญาถ้าเรามีสติปัญญามา กำจัดพวกผู้ร้ายพวกโจรผู้ร้ายเกิดกิเลสตัณหาความโลภความอยากความโกรธความหลงถ้ามันถูกสติปัญญาทำลายมันก็จะหายไปตอนนี้เราต้องม า, าพยายามสร้างสติปัญญากันมาจ้างตำรวจให้มีมากมากจ้างตำรวจจ้างทหารให้มีเยอะๆตอนนี้พวกเราเสียดายเงินภาษีกันไม่ยอมจ่ายภาษีกันเขาเลยไม่มีเงินที่จะมาจ้างตำรวจ มาคอยตามจับผู้ร้ายกันถ้าเราเสียภาษีเยอะๆร้อยละห้าสิบนี้สามารถจ้างตำรวจจ้างทหารมาเยอะแยะเลยมาคอยกำจัดพวกปิชาชีพทั้งหลายให้มันหมดไปแล้วต่อไปเราจะอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายอมเสียภาษีเถอะแต่นี่พูดตามหลักของทฤษฎีนะตามความนจริงมันคน คนที่เอาเงินภาษีไปมันก็มันก็เป็นโจรผู้ร้ายด้วยก็รู้จะทำยังไงมันก็ไม่ได้ออาไปใช้ตามที่มันควรจะเอาไปใช้กันนั้นต้องมากำจัดโจรผู้ร้ายในใจเราให้ได้ถ้าทุกคนในบ้านในเมืองกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ทุกคนก็จะอยู่กันแบบซื่อสัตย์สุจริตจะไม่มีใครเบียดเบียนกันไม่มีใครทำร้ายกัน ไม่มีใครเป็นพิษเป็นภัยต่อกันทุกคนจะอยู่ด้วยความเมตตาดูแลการช่วยเหลือกันถ้าเดือดร้อนถ้าเป็นอะไรไปแต่ทุกคนจะขยันไม่มีใครขี้เกียจถ้าคนที่มีธรรมะแล้วจะมีความขยันแต่คนที่เราอาจจะตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือกันไป แต่สมัยนี้บางทีคนมันตกทุกข์ได้ยากเพราะความขี้เกียจมันถึงไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือกันแต่ถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากด้วยด้ว ย, วยอุบัติภัยหรือ ว, ว่าด้วยข้อกรรมถ้าถ้าเขาปกติแล้วเขาขยังทำมาหากินเลี้ยงชีพของเขาเองแต่พอเขาช่วยเหลือตัวเขาไม่ได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกันงัน้นขอให้เรามากําจัดอโจรผู้ร้ายในใจเรากัน ถ้าไม่มีโจรผู้ร้ายในใจแล้วต่อไปก็ไม่มีโจรผู้ร้ายในบ้านเมืองเพราะโจรผู้ร้ายในบ้านเมืองมันก็มาจากโจรผู้ร้ายในใจเรานี่งั้นอย่างน้อยใจเราก็จะสงบเวลาไม่มีโจรผู้ร้ายเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆกับโจรผู้ร้ายต่างๆเพราะเรา รูว่ายังไงชีวิตมันก็ต้องจบแล้วเราก็ไม่ไปยึดไปติดกับมันมันจะจบด้วยวิธีใดก็ปล่อยมันไปถ้าเราดูแลรักษาไม่ได้ป้องกันไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ถึงเวลาของมันพิจารณีนั้นไปแต่เราจะไม่ทุกข์กับมันจะไม่ทุกข์กับการอยู่การตายการมีการไม่การมีการอดก็ไม่ปไม่มีปัญหาอยู่กับมันได้เพราะใจไม่ได้เป็นร่างกาย มีแล้วไม่มีใจก็ยังสุขเหมือนเดิมถ้ามีสติมีปัญญามีความสงบเหมือนขอให้เรามาหาสติปัญญากันดีกวา่าของแท้ของจริงของที่จะให้ความสุขให้ความมั่นคงกับจิตใจของเราของอย่างอื่นไม่ใช่เป็นของแท้ของจริงไม่สามารถให้ความสุขได้ตลอดเวลาไม่สามารถให้ความมั่นใจมั่นคงต่อจิตใจของเราได้ตลอดเวลา ต่อให้มีมากมีน้อยเท่าไหร่จิตใจก็ยังอดที่จะหวั่นไหวไม่ได้อดที่จะวิตกกังวลอดที่จะหวาดกลัวไม่ได้แต่ถ้าใจมีสติมีปัญญามีความสงบแล้วไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเพราะรู้ทันรู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้โลกมันเป็นโลกของไม่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกของการเกิดการดับโลกของการมีการเสีย การได้การเสียเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะรับทั้งสองรูปแบบพร้อมที่จะได้กับพร้อมที่จะเสียพร้อมที่จะพบกับความสุขพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ใจก็เลยไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนอยู่อย่างสบายนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฝึกสติกันฝึกสติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วพอมีสมาธิมีกำลังก็ไป ฝึกปัญญาเพื่อจะได้เอาปัญญาไปทาลายโจรผู้ร้ายที่อยู่ในใจที่สร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้กับใจพอมีสติมีปัญญามีสมาธิปั๊บนี่มันก็สามารถทำลายกิเลสตัณหาตัวก่อกวนตัวที่สร้างปัญหาให้กับจิตใจของเราแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมามีปัญหาอย่างที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ เ, ออเกิดมาแล้วก็มาเจอปัญหาราณ า, น า, นานประการปัญหาปากท้องปัญหาคนนั้นคนนี้ปัญหาสิ่งนั้นสิ่งนี้วุ่นวายกันตลอดเวลาเออพราะเราไม่รู้เราโง่เราไปหามันเอง เ, ออเราไม่ออกมาไม่ออกไปอยู่คนเดียวออคนฉลาดเนี่ยเขาไปอยู่คนเดียวก็ไปบวชกันพวกที่ไม่บวชนี่โง่ทั้งนั้นรู้ปา เราถึงกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราท่านฉลาดกว่าเราท่านไปบวชเรามันยั ง, งโง่อยู่แล้วทั้งๆที่รู้อยู่ก็ยังยอมโง่ต่อไปแทนที่จะไปก็ไม่ยอมไปไอ้โง่เขาเรียกโง่โง่เป็นสันดาลเลยมีคนฉลาดมาบอกแล้วว่าไปบวชเถิดก็ยังไม่ยอมไปอย่างนี้นะ ยังมีห้าห่วงอยู่นะห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงสามีห่วงภรรยาห่วงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมันเลยไปไม่ได้ก็เลยต้องอยู่กับความห่วงอยู่กับความทุกข์เพราะมองไม่เห็นด้วยปัญญาว่าห่วงยังไงเดี๋ยวก็ต้องจากกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้เป็นของชั่วคราวเรามาตัวเป่าปล่าไม่ใช่เหรอ เราเอาอะไรมาบ้างก็เปล่าเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องมาแเปล่าแล้วเวลาเราไปเราไปได้เปล่าแล้วไปห่วงทําไมไม่คิดกันบ้างนี่พระเจ้าสอนให้เราหมั่นจเจริญมรณะ น, นุสติอยู่เรื่อยๆมา <S S S 1> เกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาให้คิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเกิดปัญญา ที่สามารถจะตัดหวงต่า ง, างๆที่เรามีอยู่ได้แล้วเราจะได้ไปปฏิบัติไปเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อที่จะได้ทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจฉะนั้นต้องหมั่นเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆปัญญาเราเจริญได้ระดับแรกๆระดับต้นเอาแค่นี้ก็พอเอาแค่เราต้องเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกาันไปยังคิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆ แล้วต่อไปมันจะได้หายห่วงตอนนี้เราห่วงเพราะเราลืมไปหรือว่าเราจะต้องพัดพาคจากกันท่านี้ของใครนี่ยังจำไม่ได้ว่าเราต้องพัดพาคจากกันยังห่วงอยู่นะห่วงก็จะไปก็มันต้องไปอยู่แล้วไปห่วงอะไรไม่เหรอไปช้าหรือไปเร็วนะไปก่อนหรือไปหลังนะเพราะไม่คิดมันเลยลืมไปคิดว่าจะอยู่กันไปได้ตลอดเวลาไม่มีใครจะอยู่ร่วมกันได้ตลอดเวลา ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันแต่เราคิดอย่างนี้แล้วมันจะทำให้เราอย่างนี้ก็จากกันใช้ตอนนี้ดีกว่าไปบวชเลยไปบวชได้เลยบางทีต้องรอให้ตายก่อนถึงไปพอแฟนตายแล้วที่ไปบวชได้แล้ว อ, อกหักถ้ายังไม่ตายยังไปไม่ได้นะก็ขอให้เราเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปริกุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตตทินงังเปตานางังอุปกรปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะราโสยะามณิโชติระโสยะาสะพีติโยวิวาจันตุสะพารโควินัสตุมาเตภาวตะวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอะพิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารุธรมมวัฏานติ อายุวานุสุขังภาลางัง ย, ยังห่วงพ่ออยอะป่ะน้อยลงแล้วจ้ะไมลงแล้วแม่ <c oughs> ก็ไปแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> ตอนที่แม่อยู่ก็ยังห่วงอยู่ตอนนี้ไม่ห่วงเลยไหงยังไงเขาก็ต้อง ห่วงไงก็ช่วยไม่ได้นั่นแหละให้คิดอย่างนั้นจะได้ไม่ทุกข์แต่ก็ดูแลกันไม่ใช่พอช่วยไม่ได้ก็ไม่ดูแลเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นต้องดูแลกันให้สุดๆแต่ไม่ดูแลด้วยความห่วงดูแลด้วยความเมตตาบางทีบางพอไม่ห่วงก็เลยทิ้งเลยไม่เลียวแลเลยเลี้ยวแลดูแลกันไปแต่ดูแลเท่าที่เราจะดูแลได้ อถ้าจะไปก็ห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาไปนนาเหมือนกันเขาถือสีนแปดเหมือนกันต่างกันตรงที่โกนผมกับไม่โกนผมเลยฮนะแล้วก็ส่วนจะต่างกันอีกส่วนก็คือปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติบางทีถือสีนแปดแต่เขาไม่ปฏิบัติก็มีก็เพียงแต่ถือสีนแปด ผมก็คิดว่าเขาต้องการแค่นั้นแต่ความจริงการถือศีลแปนี่เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติ<ม>พอถ้าไม่ถือศีลแปดมันจะไม่มีเวลาไปปฏิบัติ<ม>พอถือศีลแปดหรือโกนหัวแล้วนี่มันก็จะตัดเรื่องสังคมไปได้<ม>เรื่องไปเที่ยวเรื่องไปทาอะไรต่างๆได้<ม>จะได้ไปวัดไปปฏิบัติหรือถ้าอยู่บ้านก็ปฏิบัติที่บ้านได้ ใครจะมาชวนเขาก็ไม่กล้าชวนนะเขาเห็นว่าเราถือศีลแปดถ้าถ้าถือศีลแปดโดยไม่โกนหัวเขาอาจจะไม่รู้ไงแล้ว<ๆ>ก็เอาแบบนุ่งขาวห่มขาวอแต่ยังไม่โกนหัวเขาก็ยังถือว่ายังยังไม่ลุยเต็มเต็มที่แปลว่ายังยังสองจิตสองใจอยู่ตรงที่โกนหัวนี่แสดงว่าเขาเอาเต็มที่แล้วไม่สองจิตสองใจ อันนีเดี๋ยวเปลี่ยนใจเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อชุดสีสีเขียวสีแดงได้ผมมันยังมีอยู่ฮแต่ถ้าผมมันหัวโลนี่ถึงแม้จะเปลี่ยนใจมันก็ไปไหนไม่ได้นอกจากเอาเวก ค, คุมหัวเนะี่ยมันก็ต่างกันตรงนั้น่ะแต่พูดถึงตัวปฏิบัติจริงๆก็แค่ซือสินแปดเหมือนกันแม่ชีก็ถือสินแปดนอกจากแม่ชีเข่งๆก็ซื้อสีนสิบ สินสิทธ์ก็เพิ่มมาอีกข้อหนึ่งคือไม่จับเงินทองไม่แตะต้องเงินทองแล้วศินข้อข้อที่เจ็ดก็แบ่งเป็นสองสองข้อเวลาถือศินแปดนี่สินสินเจ็ดนี่มันรวมกันสองข้อข้อไม่ไปเที่ยวกับข้อไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไงธรรมดาท่านเป็นศินสิทธ์มันจะแยกกันเป็นข้อเจ็ดข้อแปดแล้วข้อข้อเก้าก็ไม่นอนกับบนฟูกนั้นนะแล้วก็ข้อสิทธ์ไม่จับต้องเงินทอง ท น, นี้พอไม่จับถ้าจะมาแต่บางคนยังต้องมีความจําเป็นยังจับต้องเงินทองอยู่เขาก็เลยตัดสินข้อ10ไปแล้วก็สินเก้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเบอร์เก้าเขาก็เลยรวมศิลที่7กับศิน8ปดมเป็นเป็นสินเจนะ็ดก็เลยมี8ข้อแต่ความจริงมันเป็น9ข้อพวกที่ถือสินแปดใความจงถือศิน9กันทั้งนั้นแต่ไม่รู้ ข้อศินข้อเจ็ดนี่มันรวมกันสองข้อหรือไม่ดูหนังฟังเพลงร้องราทําเพลงนี่ข้อหนึ่งแล้วก็ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวทําเผาทําผมทําหน้าทําตาใช้น้ํามันน้ําหอมอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งถ้าถือศินสิบนี่ก็จะแยกออกแล้วก็เพิ่มศินข้อที่สิบไม่จับต้องเงินทองอันนี้สําหรับสมัมเณนหรือพวกแม่ชีที่เขาอยากจะถือตามพระ พร ะ, ะสงฆ์เจ้านี่ท่านไม่จับต้องเงินทองไม่พกพาเงินทองไปไหนมาไหนซื้อข้าวซื้อของด้วยตัวเองให้ฝากเงินทองไว้กับลูกศิษย์ลูกหา<ม>เวลาจะซื้ออะไรก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนจัดการให้จะได้ปลอดภัยโจนผู้ร้ายจะได้รู้ว่าไม่มีเงินทองแต่เราไปทุดดงไปปากกดอยู่ที่ไหนจะได้ไม่มีใครมาป้นมาจี้แต่ถ้าก็รู้ว่าพระพกพาเงินทองได้มีเงินทอง เดี๋ยวเวลาไปอยู่ที่ไหนเปลี่ยวๆพวกที่มันติดยาเสพติดมันอยากจะได้เงินมันก็จะมามาปนมาจี้ได้มาทําร้ายร่างกายได้แต่มันเป็นความปลอดภัยของพระทางร่างกายด้วยและทางจิตใจพอไม่มีเงินทองกิเลสมันก็ออกมาไม่ได้อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีเงินทองซื้อแต่พอมีเงินทองนี้ความอยากมันนุ่งมาจากไหนเต็มหมดเลยเห็นนี่เงินก็อยากได้เห็นนี่ก็อยากได้ขึ้นมา ต้องไม่ให้มีเงินทองเพราะเงินทองนี้มันจะรับใช้กิเลสมากกว่ารับใช้ร่างกายความจริงที่ถวายเงินทองให้กับพระ น, นี้เพื่อให้ไปเลี้ยงดูร่างกายคือปัจจัยสี่ถ้าพระขาดอาหารก็ให้เอาเงินนี้ไปซื้ออาหารขาดจีวรก็เอาเงินนี้ไปซื้อจีวรขาดยาก็ซื้อยาขาดกุติต้องสร้างซ่อมกุติก็อานี้เอาไปแต่ไม่ให้ไปใช้อย่างอื่น แต่พอพระได้มาแล้วมันไปใช้อื่นด้วยเดี๋ยวก็ไอโฟนรู่นใหม่ก็มานะเดี๋ยวกล้องวีดีโอเดี๋ยวอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยอย่างนี้พระมีอะไรเหมือนกับโยมมีนะบางองค์ก็ซื้อรถยนต์เลยซื้อรถเก๋งเลยก็อ้างว่าต้องไปเผยแผ่ทาต้องเดินทางไม่สะดวกขึ้นรถเมมันก็เลยเนี่ย เงินทองถ้าไม่รู้จักใช้มันก็มันก็เป็นอันตรายเพราะมันแทนที่จะสนับสนุนการปฏิบัติธรรมมันกลับไปทำลายการปฏิบัติธรรมให้เอาไปทำอย่างอื่นแทนไ ป, ไปนู่นมานี่มีรถก็อยากไปไหนก็ไปได้แทนที่จะปฏิบัติธรรมอยู่กับที่ก็อยู่ไม่อยู่ไม่ได้เพราะความอยากเงินทองเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากให้มี แต่ก็เห็นใจว่าบางทีอาจจะขาดแคลนทางปัจจัยสี่ก็เลยอนุญาตให้มีได้แต่ไม่ให้เก็บไว้พวกพาไว้กับตัวไม่ให้พกพาไปไหนมาไหนให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนจัดซื้อให้เผื่อจะได้เกรงใจลูกศิษย์อายลูกศิษย์ได้ไปซื้อของที่ไม่ควรจะซื้ออย่างนี้แต่ถ้าไม่อายบางทีก็ มีอะไรปิดปากลูกศิษย์เนี้ยลุกสิษย์ก็สมยอมรับใช้มันก็เลยพาไปนรกด้วยกันทั้งคู่แทนที่จะพาไปนิพพานไปสวรรค์ก็เลยไปนรกกันพ่องเงินทองเนี่ยคนพยาถึงไม่ให้ไม่ให้มีเงินทองพาทุกรุ่มนี้เวลาบวชต้องถือศีลสิบต้องบวชเนนก่อนก่อนจะบวชพระนี่เขามีบรรพชาก่อน เห็นไหมเวลาเขาเขียนบัตรเชิญม า, าก็จะขอเชิญไปร่วมงานบนรรพชาอุปสมบทนี่บรรพชาคือบวชเนรถือศีลสิบก่อนพอบวชเนรแล้วก็ถึงจะบวชเป็นพระได้เนี่ยพระทุกรูปนี้ต้องเป็นเนนมาก่อนเึรแต่เป็นเดี๋ยวเดียวเป็นอยู่ขณะที่อยู่ในโบสถ์ในเวลาเข้าไปในโบสถ์ตอนต้นไปขอบวชเนนก่อนพอบวชเนนไปขอศีลสิบเสร็จแล้วก็มาขอบวชเป็นพระที่บวชสอสองชั้นสองตอน สองขั้นพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันแต่ถ้าอายุไม่ครบยี่สิบก็บวชได้แค่ชั้นเดียวชั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเป็นผู้บรรลอุอายุยี่สิบเป็นผู้ใหญ่ก่อนถึงจะสามารถที่จะไปรักษาศีลที่ละเอียดได้เพราะนอกจากศีลสิบแล้วก็จะมีศีลอีกสอง้อยี่สิบเจ็ดข้อที่จะต้องม า, ารักษาถ้าเป็นเด็กมันยังไม่มีรู้จักไม่มีปัญญาพอที่จะ รักษาศีลที่ละเอียดได้ก็เลยให้ถือแค่ศีลสิบไปก่อนแล้วให้บวชเป็นเนนไปก่อนแล้วพอโตขึ้นแล้วพออายุยี่สิบรู้จักผิดถูกดีชั่วมากขึ้นก็เอาให้ไปบวชเป็นพระต่อไปมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีความคิดเห็นองเรเรื่องการทนบัญชี อ่อไม่มีเห็นด้วยแล้วไม่คิดด้วยวไม่ยกจะยุง่งก็เรื่องแต่เรื่องของเขามีกฎมีระเบียบมีอะไรอยู่แล้วนี่มันทาทำอะไรก็ให้มันให้มันไม่รู้ไม่พูดดีกว่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องอะไรเวลาฟังฟังเทศนี่ต้องพุทโธในใจด้วยอ๋อไม่ไม่ถ้าพุโทโธมันไปชนกันไงพุโทโธกับเสียงเทศมันจะชนกันถ้าฟังเทศก็เอาเสียงเทศเป็นพุโทโธแทน ฟังเสียงเทศไปแทนพุโทโธเพื่อไม่ให้ไปคิดเป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดอะไร <Okay. S 1> เวลาฟังเทศไม่ต้องไปพุโทโธไม่ต้องดูลมให้เอาเสียงธรรมแทนเป็นตัวก่อบใจแทนลมแทนพุโทโธได้ถ้าเอาสองอย่างเดี๋ยวมันปนกันแล้วมันจะชนกันแล้วมันจะทําให้ไม่สงบไม่นิ่งแล้วการฟังเทศนิเทศฟังเพราะจะได้เกิดปัญญาด้วยเพราะถ้าเราฟังแล้วเราคิดตามเราก็จะเข้าใจอ้อ ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้พระเวลาแสดงธรรมก็จะก็จะแสดงเหตุและผลใช่ไหมทำไมต้องเป็นเนรทำไมต้องถือศีลทำไมเพราะอะไรนี่ก็ก็จะมีอธิบายให้ฟังถ้าเราตั้งใจฟังเราก็ได้ปัญญาได้ความรู้ถ้าเราฟังไม่เข้าใจแต่เรายังไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังเสียงไปเหมือนกับพุโทโธเราก็จะได้แต่ความสงบเพราะมันจะทําให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ บางทีถ้าเราไม่ฟังธรรมเราไม่มีกำลังจะพุโทโธนั่งเฉยๆเดียวมันก็ไปคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามีกำลังพุโทโธได้ถ้าเราต้องการใช้พุโทโธเราก็ปิดเสียงเทศเลยอย่าไปฟังธรรมไปนั่งที่ไหนหสงบคนเดียวไปพุโทโธ <Yeah. S 1> แต่ถ้าการฟังธรรมนี่นอกจากทำใจให้สงบแล้วเขาต้องการความรู้ปัญญาเพราะเป็นความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อน yeah. เมื่เราเป็นเด็กเนะี่ยนักเรียนเนี่ยเราต้องไปโรงเรียนเพราะเราไม่มีความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนเราต้องอาศัยความรู้ของครูอาจารย์มาถ่ายทอดให้กับเรา<ม>การฟังธรรมนี้เพื่อให้เกิดความรู้เพราะเราจะได้รู้ว่าเราต้องทาอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรนั่นเองเพราะการการะทำนี่มันทำให้เกิดผลได้หลายอย่างทำแล้วเกิดให้สุขก็ได้ทาแล้วเกิดให้ทุกข์ก็ได้<ม>แล้วไม่มีใครอยากจะทุกข์<ม>ใช่ไม แล้วก็ต้องทำในสิ่งที่เกิดสุขสิ่งที่เกิดทุกข์ก็อย่าไปทําอะไรที่ทําให้เกิดทุกข์เช่นทําบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีดื่มสุรายามโกหกหลอกลวงดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนอันนี้เป็นการกระทําที่จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทํามันแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดถ้าเราอยากจะให้มีความสุขแล้วก็ทําบุญทําความดี มีเงินทองมีอะไรก็แบ่งกันไปให้คนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนช่วยเหลือกันไปไม่มีเงินทองก็ช่วยเหลือทางร่างกายก็ได้เอาร่างกายเราไปทำงานอาสาสมัครอยู่วัดก็ช่วยกันล่างซ่วงกวาดถู ก, กุฏิที่อยู่อาศัยทำความสะอาดอะไรต่างๆไปถ้าเราอยากจะได้บุญอยากจะได้ความสุขเราก็ทำงานทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมา ถ้าเราจะอยากจะไม่วุ่นวายใจอยากจะสงบแล้วก็ไปนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปเนี่ยต้องฟังถึงจะเข้าใจว่าเร า, เราต้องทําอะไรอย่างไรถึงจะได้อะไรที่เราต้องการถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่รู้ดัน้นเราก็จะไปทําผิดเราอยากจะมีความสุขเราคิดว่าต้องมีเงินพอเราไม่มีเงินเราก็ต้องไปขโมยพอไปขโมยเงินมาแทนที่จะได้ความสุขได้ความทุกข์ละเพราะไปทําบาปถึงแม้ว่าจะได้เงินมาก็ตาม มันก็ได้ความทุกข์มาด้วยได้ความสุขแล้วได้ความทุกข์มาด้วยวิธีที่จะเอาความสุขโดยที่ไม่มีความทุกข์ก็ต้องไปทํางาน <Huh. S 1> ไม่ไปทําบาปไปทํางานแล้วได้เงินเดือนมาอย่างนี้ก็จะได้แต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ตามมาเนี่คือเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันไม่อย่า ง, งนั้นเราก็จะทําผิดผิดถูกถูกคิดว่าทําเพื่อความสุขแล้วทาไมกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่รู้วิธี ทำให้มันก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ตามม า, เ, าเวลาฟังธรรมจึงต้องตั้งใจฟังอย่าไปพูดโทแข่งกับเสียงถังเราจะฟังไม่รู้เรื่องว่าเขากำลังพูดอะไรแล้วพูดโทมันก็จะมาทําใจให้ไม่สงบเพราะมันต้องต่อสู้กับเสียงธรรมที่เข้ามาในหูเราเอีกรื่อถ้าอยากจะนั่งสมาธิไม่คิดอะไรไม่ฟังไม่ฟังอะไรอยากจะพูดโทก็ต้องไปนั่งคนเดียว อย่าไปนั่งฟังแถมแล้วก็พุดธโถแข่งกับการฟังธรรมถ้าอยากจะฟังเพื่อให้รู้เรื่องก็อย่าพุดธโถตั้งใจฟังไปแล้วจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็แล้วแต่ความสามารถของเราที่จะคิดคิดตามได้บางทีบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่เราไม่เคยคิดมาก่อนพอฟังแล้วอาจจะมันจะไม่เข้าใจก็ต้องฟังบ่อย การฟังทำหนึ่เดียวไม่พอเหมือนกับการเรียนหนังสือไปเรียนวันเดียวไม่พอต้องไปเรียนเรื่อยๆทุกวันทุกวันปีหนึ่งทั้งปีเนี่ยกว่าจะขึ้นได้ชั้นห น, นึ่งนักเรียนเกือบปีหนึ่งใช่ไหมฟั ง, ฟงบ่อยๆฟังซ้ําๆซักๆมันจะได้จดจําได้จะได้เข้าใจได้ไม่เข้าใจจะได้ถามได้มีอาจารย์มีครูคอยอธิบายให้ฟังเยเมื่อกี้ไม่เข้าใจเรื่องวิธีนั่งสมาธินะอันนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหม วันนี้ a c e b o o กเข้ามาเท่าไหร่นะวันนี้เ c e b ุ o k สูงสุด441ค่ะย t u b บมี119วิทยุมี12ค่ะอะลายเท่าไหร่นะ 2, 2 1 0 0ท้่งบ้านยังมีคำถามไหมค่ะคำถามจากคุณลาลิตาที่สาวเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนี้นับเวลาถอยหลังว่าต้องต้องจากโลกนี้ไปในอีกไม่นานลูกอยากทรา เรื่องเกี่ยวกับการภาวนาสําหรับผู้ป่วยหนักที่รอวันตายในอีกไม่นานเจ้าคะ่ะข้อที่หนึ่งเมื่อมีอาการปวดอย่างหนักเกิดขึ้นควรภาวนาอย่างไรเจ้าค่ะก็ควรจะทําใจไม่ให้ไปอยากให้ความปวดมันหายไปเพราะว่ายิ่งอยากมันยิ่งทรมานพยายามทําใจให้เฉยๆกับความปวดโดยการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปเพื่อให้เราไม่ไปมีความอยากที่จะให้ความปวดหายไป ถ้าเราอยู่กับพุโทโธได้อยู่กับการสวดมนต์ได้ความอยากจะให้ความปวดหายไปมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้แล้วมันจะไม่รู้สึกทรมานใจเราไม่ได้สวดเพื่อดับความปวดมันดับไม่ได้ความปวดของทางร่างกายมันก็ต้องเป็นไปนอกจากหมอให้ยาแก้ปวดเท่านั้นแต่าทางปวดทางใจนี้ความเจ็บทรมานทางใจนี้ต้องใช้พุโทโธใช้สติหรือถ้าเราใช้ปัญญาเป็นก็สอนว่า เราไม่ได้เป็นอะไรเราเป็นใจเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นผู้เจ็บเราเป็นเหมือนคนดูคนเจ็บเราไม่ต้องไปเจ็บกับคนดูเหมือนกันเราดูหนังเนี่ยเราเป็นคนดูแต่ทำไมเราไปเจ็บไปตื่นเต้นไปกับคนแสดงด้วยเพราะเราเผลอใช่เลอไปเผลอไปคิดว่าเราอยู่ในจอนี่เราก็เผลอไปคิดว่าเราอยู่ในร่างกาย เราก็ต้องใช้ปัญญาดึงใจออกมาจากร่างกายว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนดูแลร่างกายร่างกายเขาเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปร <นะ S 1> ักษาไปตามกำลังของเราแต่เราไม่ต้องไปเจ็บกับเขาถ้าเราไม่มีอารมณ์กับเขาเราไม่มีความอยากกับเขาถ้าเราไม่ไปคิดว่าเราเป็นเขาเราจะไม่เจ็บหรอกถ้าเรามีปัญญาเราสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้แยากยาแยากออกจากความเจ็บได้แล้วความเจ็บก็จะไม่รบกวนเราเหม New ือนกับเราดูหนัง แล้วก็ดูไปกลัวอะไรไปกลัวผีบนหนังผีมไม่ออกมาจากจอหรอกอตั้งไปเลยรับ้องได้ม่นไม่มาหรอกจองความเจ็บที่ร่างกายไปเลยดูมันไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันหรอกมันไม่มาทำใจเราหรอกใจเราทำตัวเราเองทาใจเราเราเราสร้างความเจ็บในใจเราเองด้วยความอยากของเราเองอยากให้ความปวดทางร่างกายหายไปก็เลยทำให้เกิดปวดใจขึ้นมาชั้นหนึ่งทรามานใจขึ้นมา ถ้าเราไม่ไปอยากให้ความปวดหายไปดูมันเฉยๆมันอยากปวดก็ปวดไ ป, ปกููมีหน้าที่ดูก็ดูมึงไปอย่าไปอยากให้มันหายปวดถ้ามันอยากก็ใช้พุโทโธหยุดมันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าให้มันมีเวลาคิดถึงความอยากให้มันหายปวดถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปได้เดี๋ยวมันนิ่งสงบเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะเฉยแล้วมันจะไม่ทุกข์กับความปวดของทางร่างกาย น, นี่คือการใช้วิธีใช้สติใช้ปัญญา เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับความเจ็บปวดของทางร่างกายไม่ต้องไปทุกข์กับความตายเพราะร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นเจ้านายร่างกายเป็นคนใช้เราเราใช้มันมาตั้งแต่วันเกิดตอนนี้มันบอกว่ามันหมดกำลังแล้วมันขอลาออกจากงานแล้วขอกลับบ้านเก่านะก็ต้องให้มันไปท่านั้นเองถ้าเรายังมีความอยากอยู่เดี๋ยวเราก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อ ถ้าเราตัดความอยากได้หมดก็ไม่ต้องไปมีร่างกายต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปข้อที่สองระหว่างนี้ไปจนถึงหมดลมหายใจควรภาวนาเช่นไรให้ไปสู่สุคติก็นี่แหละทำใจให้นิง่งให้เฉยอยู่เรื่อยๆอย่าไปอยากอยู่กับมันไปยังไม่ตา ย, ออยาก็อยา่าไปอยากตายอยากตายก็ทุกข์อีกถ้ายังไม่ตายอยากตายก็ทุกข์อีก ถ้าจะตายแล้วไม่อยากตายก็ทุกข์อีกต้องอยู่ระหว่างกลางคืออยู่ก็ได้ตายก็ได้จะอยู่ก็ได้ตายก็ได้ใจ ต, ต้องเป็นอุเบกขาใจต้องไม่ปรุงแต่งไม่มีความอยากก็ต้องมีพุทโธหยุดความคิดต่างๆพ <neighbourhood. S 2> อหยุดความคิดได้จิตนิ่งสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาจะเฉยๆได้เฉยกับความเป็นความตายเฉยกับความเจ็บความปวดได้ก็มั่นพยายามพุทโธไปเรื่อยๆมันฝึกทาใจให้สงบอย่าไปคิดอะไร แต่ถ้าไม่เคยฝึกมาก่อ น, ม, นมันสายไปใช่แล้วเหมือนนั่งมวยถ้ายังไม่ซ้อมโชคเลยพอถึงเวลาขึ้นเวทีแล้วก็ถูกเ้เนาะถูกข้ต่อยอย่างเดียวต่อยก็ไม่เป็นไมเขาไม่ไม่เคยฝึกต่อยเขาเลยมัวแต่ไปเที่ยวไปเล่นพอถึงเวลาถึงเวลาจะขึ้นเวทีมันก็ต่อยไม่เป็นพวกเราไม่ฝึกสติกันพอถึงเวลาจะใช้สติก็ใช้ไม่เป็นกัน ก็ใช้ความอยากเดียอยากให้หายอยากไม่ตายหรืออยากตายถ้ามันยังไม่ตายมันทรมาน์กก็อยากตายดีไมด่ดีก็ขอร้องหมอหมอช่วยฉีดยาตายให้หน่อยทรมาร์ทนไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าเรามันชิดกับความอยากก็ไม่เคยหยุดความอยากกันพอถึงเวลามันก็จะเอาความอยากนี่มาสร้างความทรมาร์ทให้กับเราตอนนี้เราถึงต้องมาหัดใช้สติหยุดความอยากกันพอถึงเวลาเราจะได้หยุดมันได้ ข้อต่อไปคำถามจากคุณมาริกาวันนี้เมื่อตอนหกโมงเชา้าจะนำออกซิเจนออกจากคนไข้ระยะสุดท้ายหมายถึงขันห้าดับไปแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์ควรจะปฏิบัติหรือกำหนดอะไรในใจดีคะก็สอนใจว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราดูหนังตัวอย่างของเราต่อไปเราก็จะเจอของจริงหนังจริงงั้นเตรียมตัวซะเตรียมตัวทาใจให้สงบให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาเสะ ถ้ายอมรับความจริงว่าร่างกายต้องตายจากเราไปถ้าเราฝึกซ้อนไว้ก่อนซ้อนใจไว้ก่อนต่อไปถึงคิวเราเราจะได้ไปอย่างสบายเนี่ยตอนนี้เราดูพ่อเราเป็นตัวตัวหนังตัวอย่างเราดูแม่เราเนะี่ยตอนนี้เราได้ธรรมะได้มีดวงตาเห็นธรรมกันแล้วแต่ไม่ยอมมองกันนะเอามาเอามาพิจารณาอยู่บ่อยๆเนะี่ยความตายอันนี้จังเ่ร่างกายอันนี้จังอนัตตาห้ามมันไม่ได้ สั่งมันไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศไปสั่งมันไม่ได้ฝนสั่งให้มันตกไม่ได้ห้ามมันไม่ให้ตกไม่ได้ร่างกายสั่งให้มันอยู่ไม่ได้ห้ามันไม่ให้ตายไม่ได้เวลามันจะตายมันก็ต้องตายเราทำได้อย่างเดียวก็คือทาใจอยู่กับมันไปอยู่กับฝนได้ทำไมอยู่กับร่างกายไม่ได้มันก็เหมือนกันเพราะเราไม่ยอมเราไม่ยอมอยู่กับเหมือนเราไม่ยอมอยู่กับร่างกายเหมือนกับอยู่กับฝน เราคิดว่าเราควบคุมร่างกายได้สั่งร่างกายได้มันไม่ได้มันก็เหมือนฝนฟ้าอากาศดีๆนี่นั้นหัดดูร่างกายเหมือนกับฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเราอยู่กับมันแบบดินฟ้าอากาศเราไม่ไปวุ่นวายกับฝนกับดินฟ้าอากาศใช่ไหมพออายุจะมาฝนจะตกมันจะแห้ง แ, งแล้งเราก็อยู่กับมันไปอันใดร่างกายก็แบบเดียวกันนั้นฝึกซะฝึกดูร่างกายว่าเป็นธรรมชาติ เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไม่ใช่ตัวเราของเราควบคุมบังคับมันไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันปล่อยมันไปอยู่กับมันไปแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันคําถามจากคุณแพทย์อยากรู้วิธีเจริญปัญญาทําอย่างไรคะเนี่ยพึ่งพูดอยู่เนี่ยดูอนิจจังดูทุกอย่างไม่เที่ยง ดูทุกอย่างเป็นอนัตตางเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างเป็นของธรรมชาติเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศคำถามจากคุณวิไลลักษณ์ทำอย่างไรให้เราอภัยคนที่ทำให้เราทุกข์ใจเสียใจพอคิดถึงความโกรธก็ครอบงำทำให้ทุกข์ใจตลอดค่ะขั้นตอนก็ใช้สติหยุดมันก่อนพุโทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึง คิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธแล้ว อ, อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธก่อนพอพอเราหายโกรธแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์ดงเวลาโกรธกับไม่โกรธอันไหนดีกว่ากันถ้าเห็นว่าไม่โกรธ ด, ดีกว่ากันเราก็จะเห็นว่าการให้อภัยนี้จะทําให้เราไม่โกรธเขาอย่างถาวรไม่ต้องพุโทโธพุโทโธดันตอนต้นต้องระงับความโกรธ ด, ด้วยสติก่อนใช้พุโทโธพุโทโธเพราะ พอพอจิตสงบหายโกรธแล้วก็มานั่งเปรียบเทียบดูระหว่างโกรธกับไม่โกรธอันไหนดีกว่ากันถ้าไม่อยากจะโกรธก็ต้องให้อภัยเขาพอให้นี้ก็มันก็จะให้อภัยได้เพราะเราเข้าใจเหตุผลว่าทาไมให้อภัยให้อภัยไม่ไม่ใช่เพื่อเขาให้ให้อภัยเพื่อเราเขราะยเพื่อเราจะได้สบายใจถ้าเราอยากฆาตพยาบาทอยู่มันก็ร้อนอยู่เรื่อยๆกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราให้อภัยก็ได้แล้วเราจะหาย นี่เราไม่เห็นเนี่ยเราต้องตอนต้นตอนที่โกรธมันใช้ใช้ปัญญาไม่ได้มันไม่ยอมฟังเหตุผลอย่างตอนที่โกรธนี่ต้องหยุดมันก่อนหยุดด้วยสติก่อนพุทโธพุทโธให้ความโกรธมันระงับไปก่อนแล้วพอระงับแล้วเรามาดูความแตกต่างระหว่างเวลาโกรธกับไม่โกรธอันไหนดีกว่ากันถ้าไม่โกรธดีกว่าก็ให้อภัยเขาสิอย่าไปถือโทษก็เราจะไม่โกรธเขาไปตลอดเลยยกโทษปั๊บมันก็หายโกรธแล้ว คำถามจากคุณนพลมนุษย์หลังทิ้งสังขารแล้วมีโอกาสท่องเที่ยวบนโลกมนุษย์กี่วันครับก็ไม่เที่ยวแล้วไปแล้วร่างกายมันเหมือนทเที่ยวไม่ได้แล้วมันที่เที่ยวได้ก็ไม่มีร่างกายเท่านั้นแหะพอไม่มีก็ต้องไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ละโลกทิพย์ก็มีสองที่ที่ดีกับที่ไม่ดีที่ดีก็แบบพวกที่ทําบุญก็จะไปท่องเที่ยวที่ดีที่มีโรงแรมมี มีร้านอาหารมีโรงมีโรงภา พ, พยนตร์มีอะไรให้ดูให้เที่ยวกันพวกที่ไม่มีงานก็ต้องไปแถวตามสลัม แ, แถวที่มีแต่โจรผู้ร้ายมีแต่ที่หวาดกลัวหน้าเกลียดหน้ากลัว<ม>คือออบายพอเวลาร่างกายตายปั๊บเนี่ยจิตจะต้องไปที่ใดที่หนึ่งตามอำนาจของบุญของบาปที่ทาไว้ถ้าบุญมีอำนาจมีกาลังมากกว่าก็พาไปเที่ยวที่ดีก่อน าบาปมีกําลังมากกว่าก็พาไปเที่ยวที่ไม่ดีนคำถามจากคุณยานิฐาเราจะทําใจอย่างไรไม่ให้เครียดไปกับสภาวะงานที่มีแต่ความเครียดและความกดดันครับก็เนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดมากให้มีสติทํากับงานไปมีหน้าที่อะไรก็ทําไปอย่าไปปรุงแต่งว่างานนี้ เป็นของฉันไม่ใช่ของเขาเขาจะมาลั่นงานงานนี้ของเราไปานี้มันก็เครียดขึ้นม า, านนหัวงงานหัวงงานห่วงหน้าที่ห่วงตําแหน่งอะไรต่างๆอย่าไปคิดมันมีหน้าที่ทํางานก็ทําไปทําไปส่วนตําแหน่งหรือ ง, งานการมันไม่เที่ยงพิจารณามันไปมันอาจจะหมดเมื่อไหร่ก็ได้เราอาจจะปลดเราอาจจะโยกย้ายเราไปที่อื่นเมื่อไหร่ก็ได้คิดอย่างนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแล้วมันก็จะไม่เครียดกับการทํางาน ยอมรับกับสภาพที่จะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทำแล้วอาจจะได้ผลดีก็ได้ทำแล้วอาจจะไม่ได้ผลดีก็ได้เพราะมันไม่แน่นอนมันมีตัวแปรเยอะมันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราคนเดียวตัวเราคนเดียวบางทีก็ไม่แน่บางทีก็ทำผิดผิดถูกถูกบ้างก็ได้บางทีเผลอสติก็จะทาผิดพลาดได้ก็ต้องคิดเผื่อว่าทุกอย่างมันมันหลวมอ่ะมันไม่ใช่เป็นของตายตัวมันอะไรก็จะเกิดได้บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดี เมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องรับผลมันไปอย่าไปอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปฝืนมันยอมรับยอมรับกรรมถือว่าเป็นการกระทำของเราไปเราถูกปวดก็ถือว่าบรรกรรมของเราไปเราทำไม่ดีก็ได้มันก็ถึงปดเราเรื่องคนอื่นก็อยากจะได้ตำแหน่งของเราเขาก็เลยมาเขีย่ยเราไปก็ต้องไปเมื่อเขาไปเมื่อเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปขอยอมรับสภาพตามความเป็นจริงของชีวิตแล้วมันจะไม่ทุกข์มันจะไม่เครียด ที่เราเครียดเพราะเราไม่ยอมรับสภาพของความเป็นจริงเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นพอมันมันไม่แน่นอนขึ้นมามันก็วุ่นวายใจขึ้นมาเครียดขึ้นมาต้องยอมรับต้องใช้ปัญญาเห็นว่าทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกันเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนกันนั่นก็ทำกับมันไปอยู่ก็มันไปควบคุมได้ก็ควบคุมไปควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อย เราจะไม่เครียดจะอยู่อย่างมีความสุขทำงานอย่างมีความสุขคำถามจากคุณสุขคำสอนของท่านวันนี้เป็นศัจธรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งอยากทราบว่าเราสามารถนำไปพูดให้ผู้ป่วยหนักในห้องไอซูที่ใกล้ตายที่พูดไม่ได้แต่ยังรับรู้ได้แต่เพราะยังมีห่วงจิตจึงยังไม่สงบรูแลทุกทรมานห่วงลูกหลานห่วงสามีภรรยาสมบัต เราควรหรือไม่ที่จะพูดให้เขาปล่อยวางเจ้าคะก็ดูว่าเขาอยากจะฟังรึเปล่าแล้วก็ขอเรียกให้เราไปพูดขอร้องให้เราไปพูดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาขอร้องให้ไปสอนพระพุทธเจ้าก็ไปสอนแต่ถ้าก็ไม่ยินดีจะฟังไปสอนก็เหมือนกับเทน้ําใส่หลังมนาเทปั้มมันก็สลัดทิ้งหมดเนี่ือพูดกับคนที่ความแก้วเทน้ําใส่แก้วที่มันคว่าอยู่เนี่ยก็ไม่ประโยชน์ต้องดูว่าใจเขาเป็นแก้วที่หงายขึ้นเรื่อง ใจที่เป็นแก้วที่คว่ำลงถ้าใจเ ป, เป็นแก้วที่คว่มลงไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่รับความจริงไม่รับธรรมะก็อย่าไปสอนถึงแม้ว่าญาติพี่น้องจะชวนไปก็ไม่ใช่ ต, ต้องเป็นตัวเขาตอนเขาขอลองให้เราไปสอนถึงกวรจะไปสะแสดงว่าเขาอยากจะฟังอย่างมีญาติโยมอย่างคุณพาวังงาที่เขาเป็นโรคมะเร็งนี่เขาก็จะหมอบอกว่าเหลือแค่หกเดือน เขาก็เลยไปหาหลวงตาไปให้หลวงตาสอนให้หลวงตาท่านก็นเมตตาสอนอยู่ทุกคืนต้องเก้สิบกว่าคืนด้วยกันสอนธรรมะสอนพิธีปล่อยร่างกายเนี่ยสอนปล่อยเวทนาปล่อยความเจ็บปวดจนทาให้เขาจิตเขาสงบได้ไม่ทุกข์ทรมาร์ันนี้ต้องอยู่ที่คนไข้ว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังหรือเปล่าถ้าก็ไม่รับฟังก็อย่าไปเสียเวลาทั้งสองฝ่ายเลย คนไม่อยากฟังก็ทรมานต้องมาทนฟังไอคนไม่อยากจะพูดก็ต้องมาพูดเพราะเขานิหมตนมาให้พูดมันชวนมาให้พูดเขาไม่พูดเลยแล้วก็หาว่าไม่มีน้ําใจอีกแต่มไม่เกิดประโยชน์เพราะคนฟังไม่ยินดีที่จะรับฟังเนี่ต้องมาออกจากใจของคนคนฟังของคุลไขว่าอยากจะฟังทำใครมีธรรมะช่วยมาสอนหน่อยเถิดอย่างเงี้ยเอาไปสอนก็ได้เลย ถามจากคุณพิชยาพงศ์การเพ <ock Nearly zin ry> ่งด <ser> ูภาพอาุภะแล้วใช้คำริกรรมอื่นๆนอกเหนือจากพุทโธเช่นใช้คำว่าตาโจตาโจพร้อมกับเพ่งภาพการลอกผิวหนังเวลาชำแหละศพแบบนี้ก็เป็นการทำให้จิตสงบได้ใช่ไหมครับและขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายคำว่าปัญญาอบรมสมาธิด้วยครับก็นี่แหละการใช้สติเพ่งดูกับอาการใดอาการหนึ่งมันก็ทาให้เราหยุดคิด เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มันก็ทําให้จิตสงบเป็นสมาธิได้แต่การดูสุภาษเพื่อให้เกิดปัญญาเราต้องเห็นว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวไม่สวยไม่งามนร่างกายเรามันมีผิวหนังหุ้มห่อปกปิดส่วนที่ไม่สวยงามอยู่เราก็เลยต้องใช้การชำละทางใจไม่ใช่ชำละด้วยมีดนะชำระทางใจเพื่อแหวกอกแวกเนื้อแหวกหนังออกมาจะได้เห็นโครงกระดูกจะได้เห็นปอดไตไส้พุงอะไรต่างๆ จะได้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะทําทให้ใจเราสงบได้ใจเราบางทีเกิดการอารมณ์แล้วมันนอยกินไม่ได้นอนไม่หลับพอเราคิดถึงพิจารณาสุภาพปั๊บมันมันสงบหลับได้สบายเนี่ยก็เรียกปัญญาอบรมสมาธิต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหาที่ทําให้เกิดใจไม่สงบก็ต้องอยู่ที่ว่าอะไรเป็นอะไรปัญญามันมีหลายชนิดเพราะเหตุที่ทําให้ใจไม่สงบมันมีหลายชนิดเอ ถ้าเกิดการมารมณ์ก็ต้องใช้อสุภะถ้าห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ก็ต้องใช้ไตรักใจนิจังว่ า, าไม่เที่ยงไปห่วงเงี่ยไงเดี๋ยวเขาก็เขาจะเป็นยังไงเขาก็ต้องเป็นพอเราเห็นว่าก็เป็นไตรักห้ามเขาไม่ได้ห่วงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็หายห่วงก็นอนหลับได้สงบได้จิตสงบได้อันนี้ก็เรียกว่าปัญญาใช้ปัญญาอบรมสมาธิคําถามจากคุณสรวิทย เคยได้ยินมาว่าหากเริ่มปฏิบัติแล้วไม่เกินเจปีจะต้องเห็นผลมีผลปรากฏให้เห็นจากการปฏิบตัติไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับจริงแต่และต้องปฏิบตัติต้องบวชนต้องปฏิบัติอย่างเดียวไม่ไปทํากิจกรรมบวชแล้วก็ไม่ไปทําอย่างองื่นไม่ไปจัดท่าป่าไม่ไปอาญาโยมไปอินเดียไม่บวชแล้วก็ต้องเข้าป่าเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยถ้าบวชอย่างเงี้ย ไม่ต้องเจ็ดปีก็ได้บางทีบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนเอ <cam cinco> อเป็นถ้าเป็นนักเรียน <c oughs> <Hop> ก็เขา้าโรงเรียนประจําไปโรงเรียน <c oughs> ทุกวัน <c oughs> เดี๋ยวปีหนึ่งก็ได้ขึ้นชั้นแน่นอนเอ <c oughs> ถ้าปีหนึงไปแค่วันสองวันนี้ไม่มีทางที่จะไปขึ้นชั้นได้หรอกมันต้องเรียนตามที่เขากําหนดไว้การปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติตามที่พระเจ้ากำหนดไว้ก็คือให้มีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วระวังเวลา ตื่ก็พยายามหาเวลานั่งสมาธิให้มากๆแล้วพอชํานาญทางสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาปัญญาให้มากๆพิจารณาไตายรักษให้มากๆพิจารณาสุภาให้มากๆแล้วก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้คำถามจากคุณติ๊กข้อที่หนึ่งพระเลี้ยงวัวจํานวนมากไ ด, ได้ได้ไหมครับ มันไม่ใช่กิจของพระหนอะนอกจากว่าถ้าท่านเป็นพระหลานแล้วท่านไม่รู้จะทําอะไรก็ทําท่านก็ทําได้แต่ถ้าเรายังไม่เป็นพระหลานอย่าเพิ่งไปเลี้ยงเลี้ยงทําก่อนเลี้ยงสติเลี้ยงสมาธิก่อนแต่พระหลานนี่บางทีท่านเมตตามีคนมาขอรองสงเคราะห์ท่านก็อามีคน ม, มีมีวัวมีควายมาปล่อยให้ท่านเลี้ยงบางทีท่านก็รับเลี้ยงไว้อย่างสมเด็จพระสังฆราชบางทีท่านก็สมาธิท่านอยู่นี่ก็มีคนเอาวัวควายมาปล่อยถวายให้กับท่าน ไปถ่ายวัวมาจากโรงค่าสัตว์เลยแล้วกำลังจะไว้ไวาที่ไหนก็เลยมามอบเป็นภาระให้กับสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เมตตารับเลี้ยงมันแล้วก็ไปจ้างคนมาเลี้ยงมันต่ออย่างให้มันอยู่ไปอันนี้ก็ทําได้ถ้าท่านไม่ถ้าไม่มีภารกิจแล้วภารกิจหลักของพระคือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาให้เจริญศีลสมาธิปัญญาให้ครบร้อยจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วถ้าหลังจากนั้นเราจะไปทํางานกิจ พิเศษอย่างอื่นก็ได้อย่างน้วงตาท่านก็มาทําผ้าป่าช่วยชาติหาเงินหาทองทําเข้าคัางหลวงอันนี้ท่านทําได้เพราะกิจของท่านท่านเสร็จแล้วท่านเรียนจบปรบิญญาแล้วท่านท่านจะไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วแต่ถ้าเรายังอยู่ยังเรียนไม่จบเราอย่าไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนเดี๋ยวจะเรียนไม่จบเข้าใจไหมงั้นเราต้องอยู่ที่ฐานะของเราว่าเราอยู่ในฐานะไหนข้อที่สอง คะตัดต้นไม้ได้ไหมครับและไม่บินทะบาดได้ไหมครับการตัดต้นไม้นี่สมัยโบราณเขาเชื่อว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณเหมือนกับฆ่าสัตว์นีนพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามพระไม่ให้ตัดต้นไม้ไม่ให้ภาคใบเขียวตัดกิ่งไม้ตัดใบไม้ตัดอะไรพวกนี้ตัดไม่ได้แต่ถ้าจะตัดก็บอกญาติโยมให้เขาทําให้แทนพระเดี๋ยวนี้สมัยนี้คนเขาก็รู้แล้วว่าไม่มีชีวิตไม่มีไม่มีวิญญาณ สัตก็ไม่ได้เป็นการฆ่าแต่พระวินัยสมัยสมัยก่อนคนเขาเชื่อว่าเป็นของที่มีชีวิตอยู่มีวิญญาณอยู่ก็เลยห้ามพระไม่ให้ทำเพราะเดี๋ยวจะถือว่าเป็นการทำปานาติบาตเป็นการฆ่าสัตว์ส่วนอะไรข้อหนึ่งนะนนาาคือบินตบากก็ไม่ได้เป็นกิจที่บังคับตายตัวแต่เป็นกิจที่พูดเจ้ายกย่องสรรเสริญและสนับสนุนให้พระทำเป็นอาชีพ ให้บินทบาทไปจนวันตายลาบหรือว่าเฟอือเพราะการ บ, บินทบาทนี้เป็นประโยชน์หลายด้านทาให้ร่างกายแข็งแรงมีออกกําลังกายทำให้มีสติทำให้มีความเพียรทำให้อยู่แบบสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดอาหารบินทบาทได้มาอะไรก็ฉันไปตามมีตามเกิดถ้าไม่บินทบาทก็้างจะรออาหารญาติโยมหรือสังญาติโยมให้เอาไอ้นู่นเอาไอ้นีน่มา อันนี้ก็จะเป็นกิเลสยังไม่ควรเจ้าจถึงสอนตั้งแต่วันแรกเลยวันบวชที่ท่านสอนกิจที่พระพึงทาอยู่สี่ประการคือหนึ่งบินสบาทสองอยู่ตามคนไม้อยู่ตามป่าสใช้ผ้าบาังสุกุลคือใช้ผ้าที่ห า, หามาได้ตามมีตามเกิดแล้วสี่ก็ให้ดื่มยาดองน้ำมูด ยาดองน้ําปัสสาวะเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในในระดับหนึ่งสมัยโบราณเขารักษากันแบบนี้แบบใช้สมุนไพรเขาไม่มียาผลิตแบบที่เรามีกันสมัยนี้สมัยก่อนของพวกนี้หายากก็เลยต้องเอาตามมีตามเกิดเป็นนักบวช น, นี้ไม่ให้จู้จี้จุกจิกให้ยินดีตามมีตามเกิดไม่ให้ไปรบกวนญาติโยมถ้าไม่จําเป็นจริงๆบินบาตถึงแม้ว่าจะไปรบกวนก็ไม่รบกวนแบบไปบังคับ ก็เดินบิณนบาตรใครอยากจะใส่ก็ใส่ไปใครไม่ใส่ก็ไม่ว่าอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มีใครหายามาให้ก็ดืม่มยดื่มน้ํามูดไปก็รักษาได้ตามมีตามตกับางทีก็หายบางทีก็ไม่หายที่อยู่อาศัยก็อยู่ไปตามโคนไม้ยไปอยู่ตามป่าหาจญิงไม้หาอะไรมาทําเป็นเพิงหลบแดดหลบฝนได้ก็พอผ้าจีวรก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามป่าชา้าผ้าออกศกอะไรก็กนี้ มาตัดมาเย็บเป็นจีวรไม่ให้ไปขอไม่ให้ไปดบกวนชาวบ้านนี่คือนิสัยของนักบวชอันนี้เป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าบังคับให้พระอุปชฌาสอนคนที่บวชตั้งแต่วันบวชเลยพอบวชปุ๊บนี่ต้องสอนกิจที่พึงกระทำสี่ประการนี้แล้วก็สอนกิจที่ไม่พึงกระทําอีกสี่ประการคือหนึ่งไม่ให้เศษเมตุนคือไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่น แล้วก็ไม่ให้รับทรัพย์ไม่ให้ฆ่ามนุษย์และไม่ให้อวดอุจจเควณวิเศษที่ไม่มีในตัวตนนี่เป็นคำสอนที่สอนทันทีเลยเวลาอยู่ในโบสเนี่ยเวลาบวชเสร็จปั๊บก็ให้สอนนี่ทันทีก่อนเพื่อจะได้รู้หน้าที่ของพระว่าควรจะทาอะไรไม่ควรทำอะไรอ๋อมีอีกไหมไอคอหนึ่งหรือไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นแล้วออมีเอาอีกข้อนึงก็ได้ ต้องถามจากคุณปิยาการแนะนําสินค้าและการขายสินค้าให้กับพระที่สามารถจับปัจจัยเองได้ผู้ขายจะได้รับบาปจากการรับปัจจัยที่พระนำมาใช้จ่ายหรือเปล่าคะผู้ขายไม่ได้รับบาปไม่ได้หรอกแตผ่ผู้ขายไม่ได้บุญปกติเวลาคนเขาติดต่อกับพระเขาไ ม, ไมเ่เขาไม่ขายของให้พระหรอกเขา้าดเขาให้พระเลยน้องจะทําบุญกันแต่ถ้าจะมาขายของให้พระก็ได้ ถ้าถ้าพระมีเงินก็อาจจะซื้อก็ได้แต่ถ้าไปขายให้กับพระที่เขาไม่มีเงินเขาก็ไม่ซื้อนอกจากให้เขาก็จะรับแต่ไม่บาปหรอกแต่ไม่ได้บุญเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอญ